Buddham s a r a n gaccha. Buddham s a r a n gaccha. d h a m s a r n gaccha. Dhammam s a r a n gaccha. m i n g a t h a a h a l a Gatsha, s a n g a m Sharalam. a t a a g a h a สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรบครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประหลับสมทบพระกโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องสภาสวะสังวรสูตรครั้งที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัตรมีครับ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 คือท่านสอนเกี่ยวในเรื่องของอาสวะที่พึงละได้ด้วยการโดยทัศนะเป็นต้นเนี่ยด้วยการเห็นเป็นต้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะศึกษากันพระพุทธเจ้าตรัสวิธีการละอาสวะไว้เจ็ดวิธีในเจ็ดวิธีนั้นก็คืออาสวะที่พึงละได้ด้ว ย, ยการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยการสํารวมด้วยการซ่องเสพด้วยการอดทนอดกั้นด้วยการเว้นด้วยการบันเทา และก็โดยการเจริญและการละอาสวะแต่ละวิธีสำเร็จได้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการในการพิจารณาโดยแยบขายเป็นปุปภะฆธรรมก็คือเป็นธรรมที่เป็นเบื้องต้นฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยโดยเฉพาะในมูลปริยยสูตรก็กล่าวถึงปะโตโคสะและก็สัพพาสวะสูตรซึ่งกล่าวถึงโยนิโสมนสิการจึงเป็นพระสูตรหลักในส่วนปุปภาคธรรม คือทำที่เป็นเบื้องต้นนี่ยแต่ตรงนี้จะหยิบยกหลายๆสูตรมากล่าวแล้วก็จะมาให้เราทั้งหลายได้มาพิจารณาคือในมหาเวทั ล, ละสูตรก่อนโดยสรุปใจความตรงนี้เนี่ยก็คือว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านกล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือปัจจัยที่เป็น ป, ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญญาท่านบอกว่ามันมีอยู่สองลักษณะลักษณะแรกก็เรียกว่าปะโตโฆสะ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 หรือที่เรียกว่าเป็นปาราโตโคซะหรือเป็นกาลยานามิตรอันเลิศเด่๋ท่านกล่าวไว้ยังไงในคัมภีร์มัชมนิกายเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณลักษณะของพระอริยะและสัตบุรุษรวมถึงลักษณะของคนพานและบัณฑิตไว้ในหลายสูตรโดยเฉพาะในจูฬปุณณะสูตรในอุปริปันธาด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงความแตกต่างกันระหว่างสัตบุรุษกับอาสัตบุรุษเขาไว้ บอกว่าสัตว์บุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตว์บุรุษคือมีศรัทธาความเชื่อและเลื่อมใสเชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและก็ผลของกรรมและท่านก็สรุปบอกมีหิริมีความระอายต่อบาปอด ต, ตปาความเกงรงกลัวต่อบาปมีสุตตะมากคือการปังการศึกษามามากมีความเพียรมีสติตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญา นั้นทานกระตับลักษณะของคุณของสัตว์บุรุษเขาไว้ทีนี้สัตว์บุรุษนั้นน่ยนะผู้พักดีต่อสัตว์บูรุษคือมีบุคคลผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตระปามีสุตตามากมีความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสายลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์บุรุษผู้พักดีต่อสัตว์บูรุษคือตนเองก็เป็นบุคคลที่มีศรัทธามีหิริมีโอตระปามีสุตต์ มีความเพียรมีสติแล้วก็มีปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังไปฝากไปไปคบหาบุคคลผู้มีศรัทธามีฤทริมีโอตระปามีสุตตะมีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสายอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์บุรุษผู้พักดีต่อสัตว์บุรุษเออคาว่าสัตว์บุรุษเนี่ยไม่ใช่เป็นได้เฉพาะผู้ชายเนี่ยเราได้ยินคำว่าบุรุษบุรุษใช่ทั้งหญิงและชาย ถ้ามีคุณธรรมเจตประการเจะถืาเป็นสัตว์บุรุษได้ประการต่อมาก็คือสัตว์บุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษนอกจากจะเป็นสัตวบุรุษแล้วเนี่ยนะบุคคลผู้มีสัพพุริสธรรมคือมีศรัทธาเป็นต้นแล้วเนี่ยนะที่เรียกประกอบด้วยธรรมของสัตวบุรุษเนี่ยสัตวบุรุษเนี่ยจะคนที่เป็นสัตวบุรุษต้องเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็ตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องมีความเชื่อในเรื่องกรรมเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ย พักดีต่อสัตว์บุรุษก็คือคบหาบุคคลผู้มีคุณธรรมคล้ายกันประการต่อมาก็คือว่าสัตว์บุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตว์บุรุษก็คือว่าไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายสัตว์บุรุษก็คิดแบบนี้ไงไอคิดเบียดเบียนตนเองเนี่คิดยังไงคิดเบียดเบียนตนเองคิดยังไงคิดแล้วทําให้ตนเองประสบทุกข์ใช่ไหม ทำให้เองทำให้ตนเองนั้นต้องเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาโกเบียดเบียนคนอื่นก็คือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้คนอื่นเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาลกเป็นต้นบางคนก็ทั้งเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นนั้นสัตบุตรไม่คิดแบบนี้นี่ประการที่นี้เขาเรียกว่าสัตว์บุตรนั้นเขามีความคิดอย่างสัตว์บุรุษประการต่อมาคือสัตวบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตว์บุรุษก็คือว่ารู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้เพื่อไม่เบียดเบียน ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายที่จริงถ้าเรารู้แค่จุดใหญ่หญสามหลักเนี่ยก็แปลว่ามีความรู้อย่างสัตว์บุรุษนะที่จริงโดยความหมายเนี่ยกว้างมากอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยโอ้โหเป็นการเจริญกุศลกรรมรบทสิบทั้งหมดนะแล้วก็ยังมีศรัทธาหิริโอตตาป่าเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นปัจจัยแก่การเจริญงอกงามในเบื้องธรมวินัยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การสี่มทุกในอนาคตด้วยและผู้อื่นแล้วก็ทั้งตนและผู้อื่นเป็นต้น สัตว์บรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตว์บุรุษบุรุษเขาพูสัตว์บุรุษเขาพูดกันยังไงหนึ่งงดเว้นอจาการพูดเท็จสองงดเว้นอจาการพูดต่อเสียดสามก็งดเว้นอจาการพูดคําหยาบสี่ก็งดเว้นอจาการพูดเพ่อเจอสรุปแล้วเนี่ยคนที่เป็นสัตว์บุรุษเนี่ยวาจาเขางดงามมากทีนี้วาจาที่งดงามที่เปล่งออกมาเนี่ยนะมาจากจิตดีมาจากกุศลลจิตมาจากจิตที่ไม่คิดที่จะพูดเท็จ ส, ส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อเป็นต้นอันนี้เขาเรียกถ้อยคําของสัตว์บุรุษประการต่อมาคือสัตว์บุรุษผู้มีการงานอย่างสัตว์บุรุษการงานของเขาก็คืองดเว้นจากปานติบาสงดเว้นจากอาทินนาทานแล้วก็งดเว้นจากกามเมสุมิฉายานเป็นประการงานของท่านและสัตว์บุรุษผู้มีความเห็นอย่างสัตว์บุรุษถามว่าสัตว์บุรุษเขามีความเห็นอย่างไรเขาเห็นบอกว่าทานที่ให้แล้วมีผลการให้ทานเนี่ย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 ที่มาจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้มีเขาเราียกโลกนี้มีนะไม่ใช่ใชอ๋อไม่มีได้ไงาตายเราก็เห็นเห็นอยู่่ยแต่ว่าคนบางคนถ้าไม่ใช่สัตว์บุรุษเนี่ยเขาก็จะเห็นธรรมดาไงอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นเห็นสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เนยแปลว่าเขามาอยู่ที่อื่นก็แปลว่าโลกนี้มีไม่ใช่ไม่ไ ม, ม, มีเพราะเห็นมีเกิดอยู่มีตายอยู่ใช่ไหมโลกนี้จึงมีโลกหน้าล่ะโลกอื่นมีไหมมี โลกอื่นก็แปลว่าไม่ใช่มีเฉพาะในมนุษย์โลกใบเดียวเท่าเนี้ยไม่ใช่ยังมีพวกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกยังมีเทวดามีพรหมอีกหลายหลาชั้นตลอดละก็คือสามสิบเอ็ดพเนี่ยมีโลกอื่นน่ะมีไม่ได้มีเขาเห็นแบบเนี้ยมารดามี เ, าเราเชื่อไหมมารดามีความเห็นแบบเนี้ยเออแม่ก็มีใช่ไหมไม่ใช่เห็นแค่เนี้ยเขาเน้นถึงคุณของท่านเนี่ยคุณของท่านน่ะมีคุณที่ท่านประพฤติปฏิบัติต้องมีมีตบุตร ทิดาเนี่ยบิดามีก็หมายถึงคุณเหมือนกันสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีแปลว่าอะไรมีความรู้มีความเข้าใจว่าอสัตว์ที่ตายแล้วอุบัติเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องอาศัยครันมารดาเนียมีนะไอ้เนี้ยกลุ่มที่จะมีความเข้าใจอย่างนี้ต้องสันบุรุษถึงจะเข้าใจแล้วไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบงมงายด้วยนะเชื่อเพราะจากการศึกษาจากการฟังพระธรรมคําคสอนของพพุทธเจ้าและพิจารณา แล้วเห็นจริงเห็นเองด้วยสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกอื่นให้แจม่มแจง้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกมีนั้นสัมปชัญญพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินโดยชอบปฏิบัติชอบก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตัดสรู้ได้โดยตนเอ ง, นองมีนะพระปเจกับพะพุทธเจ้าตัดสั้นรู้ได้ตนเองมีนะอย่าเป็นด้นวเราเนี่ยนะนั้นสัตวบุรุษเนี่ยเขามีความเห็นอย่างสัตวบุรุษเนี่ยสัตวบุรุษเขาเห็นแบบนี้ย ทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลสังเวยที่บวงสวงแล้วมีผลผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดาก็มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดําเนินชอบปฏิบัติชอบประกาศโลกนี้โลกอื่นให้แจ่มแจ้งเพราะตัสรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเขาเห็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตบ์รุษลดเาเป็นเขามีสัมมาทิฏฐิ่น ก็มีลักษณะความเห็นแบบนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสัตว์บรุษผู้ให้ทานอย่างสัตว์บรุษก็ต้องไปดูนะสัตว์บรุษนี่นะคนดีทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาให้ทานเขาให้ยังไงคือให้ทานโดยความเคารพคือทําความอ่อนน้อมในการให้ทานเออสัตบุรุษทั้งหลายเวลาให้ทานเนี่ยเขาให้ให้โดยความเคารพเคารพในไทยเคารพในทานการให้โดยความเคารพเนี่ยมันมีอันยศยังไงรู้ไหมอันิสงย์การให้โดยความเคารพ แล้วก็ให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีความเห็นว่าผลของทานมีเป็นต้นเนี่ยเน้เ น, นประการแรกก็คือให้ทานด้วยความเคารพให้ทานอย่างบริสุทธิ์ทานนั้นก็ได้มาอย่างบริสุทธิ์ให้ดิมืองตนเองเป็นต้นแล้วก็เห็นว่าทานที่ให้เนี่ยมีผลกินไปทุกวันเนี่ยบางคนที่ให้ทานเนี่ยเขาไม่คิดอะไรมากเพราะว่า ง, งั้นเนี่ยเขาคิดว่าเออเขาให้แล้วเขาสบายใจเขาก็ให้บางคนคิดแค่นี้ยอย่างนี้ เขาเรียกว่าไม่รอบไม่รอบให้แบบไม่ได้ไตร่ตรองบางคนก็บอกว่าเออให้เพราะเป็นญาติให้เพราะเป็นพี่เป็นน้องให้เพราะท่านคนนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ตักแต่ว่าให้ไปอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทานของสัตว์บูรุษถ้าทานของทานของสัตว์บูรุษเนี่ยก็ให้โดยความเคารพทีนี้ให้ด้ความอ่อนน้อมให้โดยความเคารพให้ของบูรุษให้ด้วยมือของตนเองเป็นต้นเนี่ยผลที่มันได้เนี่ยมันมันมันเลิศยกตัวอย่างเช่นว่า คนบางคนที่เกิดมาในปัจจุบันนะพบนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจน้อมที่จักได้ของอย่างดีเสื้อได้เสื้อผ้าก็ได้ดีๆได้ของใช้ต่างๆก็ได้ดีๆอาหารก็ได้ของดีสรุปก็คือว่าหนึ่งที่อยู่อาศัยก็ได้อย่างดีเครื่องนุ่งห่มก็ได้อย่างดีอาหารก็ได้อย่างดีและเภสัต์กาวคือยาเป็นต้นก็ได้ยาดีๆไม่ใช่ได้ยาโมเดโยนี่ทีนี้อันนี้เป็นผลของการให้โดยความเคารพเนี่ย แต่ถ้ากลุ่มที่ให้โดยไม่กาไม่เคารพเนี่ยได้ของดีก็ไม่อยากใช้คือใช้แล้วมันมันทุกขใจอะ่ะเนี่ยพอได้มาพวกก็ก็สรุปรลแล้วก็คือเอาเอายังได้จีวรดีๆมาก็ไม่พอใจเน้่เก็บไว้หมกหมกเอาไวพอพอมันเก่าเกินเก็บแล้วนี้หายยามมาใช้มาหยิบหลุดหมดแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือผลการให้ทานโดยโดยไม่เคารพถ้าแล้วแปลกอีกอย่าง จะใช้ของดีขึ้นมาแล้วมันมันก็ไม่สบายใจพอใช้ของดีเราไม่ก็สบายใจมันคือตรงเนี้มันเป็นผลของการให้ในอดีตมันก็ทําให้จิตใจที่ไม่น้อมที่จะใช้ของดีทั้ทงๆ ท, ที่มีศักยภาพเนี่ยพูดอย่างนี้ทีไร ก, ก็นินทาคนที่บ้านแกแกมีเงินทองเยอะแต่มีเงินทองเยอะหมดนี้นะแต่แกใช้จักรยานเก่าๆเสื้อผ้ า, ก, า, าก็เก่าๆทําทตัวก็ลุ่งกระลิงเงี้นนยแล้วกินอาหารก็กินเสษเป็นเดนเงี้ย ตายไปแล้วตายไปแล้วแบ่งสมสมบัติเน่ยไม่ใช่ของแกจริงๆดูแล้วเป็นของลูกหลานหมดลูกหลานนู้แยง่งกันกลัดมีนาเยอะไปหมดแล้วก็มีไอสมัยก่อนเขาเรียกคำปั่นใช่ไอมตู้เซฟเราเนี่ยที่จะใส่เงินใส่ทองไปเต็หมดแล้วกลัวขโมยกลัวใครยู่แล้วแล้วก็ทำตัวพ่อซองนั้นไปแล้วแต่ก่อนเราก็นึกดันไปนึกเชียงชมเนะนี่ยบคนคนนี้ดีเนาะ รวยแล้วไม่เคยแสดงฐานะแต่พอมาศึกษาครัสอนเราไปคนละเรื่องเลยแกกินแกกินอย่างอย่างทรมานอย่างกินกินอย่างลําบากเห็นไหมว่าเพราะไม่ได้ให้ทานแบบสัตว์บุรุษที่เขาให้มันเป็นผลของการให้โดยไม่เคารพแล้วแล้วไอ้สูตรเนี้ยแกก็เอาสอนลูกสอนหลานแกนมึงไอ้ตรงนี้นี่มันเสียหายตรงเนี้ยไปสอนบอกว่าต้องรู้ไอ้เขาบอกว่า ต้อรู้จักประหยัดไอ้จริงๆประหยัดจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่กินถ้าจนโอ้โหปืดเครื่องจนทั้งๆ ท, ที่พอที่จะทําให้สุขภาพอยู่ได้ในกลางสุดที่เป็นลูกหลานพร้อมกันอย่งนี้ก็ดูดูเกินกว่าเหตุแล้วก็โอ้โไป น, น, นี่อันนี้อันนี้ก็ไม่ดีส่วนลักษณะของอาศัตรุรุษนั้นก็ตรงกันข้ามนะเช่นไม่มีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยลักษณะของอาศัตบูรุษเนี่ยไม่มีศรัทธา ในพระัตนตรายตามความเป็นจริงไม่เชื่อในกรรมผลของกรรมไม่มีเฮริไม่มีโอตระปาไม่มีสุตตะคือไม่ชอบฟังไม่ชอบศึกษามีความเพียนเลวแล้วก็มีสติไม่ตั้งมั่นแล้วก็ปัญญากะสามลักษณะของอาศัตบุรุษก็เป็นแบบนี้ยตรงกันข้ามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความคิดของอาัตรุษก็คือเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นอย่างเงี้ยความรู้ของอาศัตบุรุษหรือคนพานทั้งหลายก็ รู้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองรู้ที่จะเบียดเบียนผู้อื่นรู้เพื่อจะเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นแลคนที่เป็นอาสาบุรุษเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะในการเบียดเบียนตนเองเนี่ยเขาเก่งเช่นทําทกรรมช่วทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีวิธีการพลิกแพงในการที่จะทําันเบียดเบีย น, นตนเองเวละเบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเขาเก่งเนี่ยเป็นตนน้นนะเวลาให้ทานเขาก็ให้ให้โดยไม่เคารพหรอกไม่อ่อนน้อมและทานก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เป็นต้น อันนั้นกระท้งกันข้ามทีนี้ในสัพุริสสูตรในอุปริปันธาตุนี่นะในมัชฌิมานิกายเหมือนกันในในปันนาต <c oughs> มีมูลปันนาตมัชฌิมปาอุปริปันนีตเป็นปันนาที่สามหมวดที่สามพระพุทธเจ้าตรัสถึงความแตกต่างของสัตวบุรุษและอาสัตว์บุรุษว่าอาสัตวบุรุษเป็นผู้ยกตนของผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นผู้มีตระกูลสูงมีโพค้ามาก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 ในใช้คาําทั้งพระพุทธเจา้าท่านเห็นอาส า, ศาบุรุษเนี่ยหนึง่งยกตนข่มผู้อื่นประการต่อมาก็คือว่าเป็นผู้มีตระกูลสูงก็ยกตนข่มผู้อื่นในฐานะตระกูลสูงทงั้งทั้งที่คนคนนั้นตระกูลสูงจริงจริงเนี่ยนะแต่ถ้ายกตนข่มคนอื่นปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สาาัตบุรุษแล้วหรือมีโพคะมากร่ํารวยมากก็ก็ยิงอย่างเนี้นะมีชื่อเสียงมากมีลาบมากหรือ ศึกษามากเพราะศึกษามากกับพองตัวเองเนี่ยเนี่ยฟังมากศึกษามากอันนี้เป็นอาสาบุรุษหนักไปกว่า น, นั้นก็คือเป็นผู้ทรงวินยัยแม่รู้ระเบียบแบบแผนถ้าเป็นกลุ่มคารวะก็คือว่ารู้มรน ญ, ญาติของสังคมดีประเพทที่ศึกษาจริยามัน ญ, ญาติของสังคมการเข้าหมู่คณะการกินอาหารเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็จะมีสูตรนะใช่ไหมสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของการมรน ญ, ญาติในการเข้าสังคมต่างๆ ในการจับชอ้อนในการเที่ยวอาหารในการกินอาหารเนี่ยก็จะรู้และกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะดูถูกคนอื่นจะดูถูกคนอื่นเช่นถ้าไปแถวอินเดียแล้วโอมยรับไม่เคยได้บางคนยังไม่กล้าไปอินเดียจนทุกวันเท่าไหร่เราจะเวลาเขาพูดก็จะเป็นพูดดีหน่อยก็ศึกษามาแ น, น่นๆหน่อยก็กระทันแกบอกแกรับไม่เคยได้เห็นการใช้ห้องน้ําก็ดีการกินอาหารก็ดี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 เช่นสัตวเดรัจฉานเขก็มีข้อปฏิบัติมันอีกอย่างเปลได้สุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกถามว่าถ้าทําบาปแล้วตนเองไม่ตกนรกคงไปยอมรับวัฒนธรรมของสัตวนรกได้ไมสัตวนรกต้องวิ่งมันต้องร้องมันต้องแย่ปากตะโกนเนี่ยมันจะไปมีอกอน้อมถมตนไม่ได้แล้วไอ้ที่เราว่ามาฝึกกันในปัจจุบันนะพบบางทีมันไม่ใช่มาเรียนรู้เบ็ดเสร็จเนี่ยมันตามไปด้วยความยึดถือการเรียนรู้แล้วไปการยึดถือ และอัตตาก็จะเข้าฝังแน่นในในวิชาการในความรู้ต่างๆที่เรารู้มาเช่นคนรู้กฎหมายก็เถียงกันคอเป็นเอ็นยันทุกวันเนี่ยใช่ไหมจการเรียนรู้แบบเอาอัตตาเข้าไปจับเนี่ยมันมีปัญหาเยอะวันก่อนก็มีคนเป็นอาจารย์สอนเป็นอาจารย์บรรยายเนี่ย เ, ยเยขาก็โทรโทรมาคุยแต่มาบรรยายธรรมะเนี่ยนะแต่หลังจากบรรยายธรรมะเสร็จก็ก็ไปสนามหลวงก็ ไปฟังก็พฟังตอนนี้ไอ้อตางก็เกิดก็าบอกโห oh, ฟังต้าใช้คำว่ามเหมฟ่ฟังแล้วมันนี่ยานอาจารย์ก็เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ห oh, น้าคือวิธีคิดที่ที่ยอมรับความแตกต่างกันไม่ได้แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ไม่เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันยังไงให้มีความสุขปัจจุบันเนี่ยต่อไปในลักษณะพี่บอกว่าการรู้ บางส่วนเรายึดมั่นในความรู้ของตนเองความเข้าใจของตนเองเวลามาอยู่บ้านเดียวกันยังทะเลาะกันใช่ไหมลองไปลองไปถือกันคนละหางดยสมมุติเนี่ยพูดว่ามีหางก็แล้วกันล้งไปถือกันคนละหางคุยเรื่องนี้กันไม่ได้ครับถ้าคุยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคืออัตตามันมากอัตตาเนี่ยความเป็นตัวเป็นตนมันเยอะพอมันเยอะเบ็ดเสร็จก็คือว่าเลยบังแห่งเลยตั้งกติกาวไว้บอกห้ามคุยเรื่องนี้ แต่เรื่องอื่นคุยกันได้มีมีอย่างนี้จริงๆนะสามีภรรยาเนี่คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ก็ก็า ท, ที่ต่างต่างประเทศก็เป็นแบบนี้ต่างประเทศก็เลยเลยแก้ปัญหาโดยการว่าอย่าอย่อยาคุยกันที่จริงหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาเจาะลึกเข้าไปด็จะติดถึงคําสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะจะสอนให้รู้ว่าเออในสมัยครั้มพุทธกาลนช่ไหมพวกพราหมณ์เนี่ยก็มีความเห็นอย่างไร พวกฮินดูเนี่ยหรือพวกอาพวกอเจีละกากาเนี่ยพวกชีเปลยอย่างเงี้ยหรือว่าพวกที่ปฏิบัติถืงมเจ้าวัตรทีทั้งหลายเยอะแยะหมดบูชาไฟก็มีบูชาพระอาทิตย์ก็มีบูชาป่าไม้ภูเขาเป็นต้นก็ดีถามว่าลองคิดดูทีแล้วพุทธศาสนาเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในในบรรดาทิฏฐิทั้งเป็นร้อยๆเปน็นพันๆทิฏฐิบนความแตกแยกของสังคม อ, อย่างรุนแรงกว่านั้นเด้อ แต่พุทธศาสนาเนี่ยเดินทางไหนรู้ไหมมัชชิมาปฏิบทาทีนี้พอมัชชิมาปฏิบทาที่เรามาศึกษาเรียนรู้แล้วมามาเอามาทําความเข้าใจกันกลายเป็นมัชชิมาปฏิบทาตามทัศนะของเราคือสองคนนั่งคุยมัชชิมาปฏิบัติกันเถียงกันกอเป็นเอ็นลดลดไอทิถิมานะไม่ได้นี่มันเป็นมันเป็นปัญหาทีนี้ที่เป็นสิ่งที่น่าคิดที่สุดก็คือว่า ในบรรดาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเวลาชาวพุทธทั้งหลายพอไปตีความคําสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เอาเข้าข้างในปัจจุบันก็พยายามมองมองกลุ่มที่ศึกษาคําสอนกันนี่ยแล้วก็อธิบายคําสอนกันเพราะอธิบายไปตามคําสอนไม่ว่าหรอกแต่เอาทิฐิของตนเองนั้ น, นไปเกลือกลัวกับคําสอนของพทะเจ้าหรือเอาเลยเดี๋ยนี้ก็ก็เกิดประเด็นต่างๆเลยนีะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่า ในในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นสัตบุรุษจริงๆแล้วให้สังเกตตรงเลว่าความรู้เนี่ยถ้ารู้อย่างเดี๋ยความคิดเงี้ยถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าหรือบุคคลที่นับถือพุทธเจ้าจริงๆหนึ่งต้องคิดไม่เบียดเบียนตนไม่ไม่เบียดตนเองเองไม่เบียดเบียนตนเองนะเช่นความคิดที่เป็นไปกับ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 ทีนี้ถ้าเอาความคิดประเภทลักษณะเนี้ยไปกระทบคนอื่นอีกเบียเบียนคนอื่นอีกแล้วแล้วก็ทั้งตนเองก็เบียดเบียนด้วยผู้อื่นก็เบียดเบียนนั้นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์บุรุษแล้วเป็นอาสัตว์บุรุษใช่ไหมย่าเป็นอย่างนี้ประการอย่างอย่างหนึ่งก็ความรู้ก็นั่นแหละรู้เพื่อจะเบียดเบียนบิดเบียนตนเองแล้วคำพูดแหละถ้อยคำแลละ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 ก็แปลว่าโอ้โหรู้พระสูตรเยอะแล้วก็กล่าวพระธรรมสอนคนอื่นเยอะแยะหมดเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดอันนี้หมายถึงกลุ่มพระนี่นะกลุ่มพระก็คือเหมือบางกลุ่มก็ถือว่าเอ๊ะที่เราใช้ผ้าเนี่ยใช้ผ้าบางสกุลนะคําว่าบะผ้าบางสกุลคือไม่รับข้าหาข้าหะโมดีกีวรคือเข้ามาถวายไม่รับอ่ะกลุ่มนี้ไม่รับเพราะว่าคือต้องการจะเคร่งครัดจริงๆประเภทที่ถือธุดงก์วัดเลยเนี่ยถ้าจะใช้ผ้าก็ต้องหาผ้าเอง เศษผ้าที่เขาทิ้งบ้างเขา ต, ตกตามปุ่นตามดินทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาทิ้งทั้งหลายก็ไปเก็บเก็บก็บเก็บเก็บมาแล้วก็มายอ้อมมาซักมาอะไรต่างๆก็มาตัดมาเย็บเองปะเองอะไรเองเด็ดเสร็จเนี่ยนี่เขาเรียกผ้าบางส่วนอาจจะว่านะฮไม่ได้อาจจะมีเนี่ยเป็นผู้ถือการเที่ยววินนบัดเป็นวัดก็ปแปลว่าโอ้ยบินนบัดเป็นวัดแล้วก็อยู่โคนไม้ถือแล้วก็เป็นผู้ ถือการฉันอาสนะเดียวเป็นวัดทุกวันเนี้คําว่าฉันหนเดียวกันโอ๊ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงจงอันนี้ไม่ใช่พูดในภาษาพระไม่เแข็งเนี่ยคือในบาลีในคําสอนท่านใช้คําว่าฉันอาสนะเดียวแปไลว่าอะไรรู้ไหมนั่งไปเถอะจะนั่งตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยจะฉันกี่ครั้งก็ได้อาสนะเดียวแต่ถ้าท่านลุกแล้วท่านไม่ฉันอีกเนะี่ยนี่ก็เรียกอาสนะเดียวส่วนคําว่ามื้อเดียวเนี่ย ท่านไม่ได้นับเป็นมื้อเป็นครั้งแต่ท่านนับว่าตั้งแต่เช้ายันเที่ยงนี่เขาเรียกว่ามื้อเดียวจะฉันพันครั้งก็ได้ก็ถือว่าฉันมื้อเดียวต้องเข้าใจอย่างนี้เสียมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะคนนั้นเคร่งคนนี้ไม่เคร่งเคร่งก็ให้มันถูกตามว่าทำคําสอนใช่ไหมทีนี้พอไปทางเคร่งไปเสร็จออัตมาฉันมื้อเดียวพูดไม่ถูกไงจะฉันอาสนะเดียวก็ว่าไป แปลว่าถ้าลุกจากอาสนะนั้นแล้วจะไม่หยิบอะไรใส่บากนอกจากน้ําเนี่ยนอกเกลีงน้ำเน่ยเองีาเรยกอาสนะเดียวแต่ถ้าฉันมือเดียวเนี่ยก็แปลว่าฉันตั้งแต่ช้าไปจนจะเป็นกี่ครั้งก็แล้วกันคือก่อนก่อนก่อนก่อนเพลนแต่หลังเพลนไปแั้วไม่ใช่มือเดียวทีนี้เวลาภาษาไทยเนี่ยเนี่ยเวลามาแปลเป็นภาษาไทยมันเป็นปัญหากันเยอะก็เหมือนคําว่าพระเจ้าทั้งทั้งที่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เอา คำว่ากอดเนี่ยมาแปลเป็นพระเจ้าเลยมีปัญหาเยอนทุกวั น, นเลยเดี๋ยวนี้คนไทยไม่กล้าเรียกพระพุทธเจ้าในในพระไตรปิฎกก็บอกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกใช่ก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงก์ที่สังกษนาคนครที่สาวัตถีเวลาเราไปที่อินเดียก็ก็จะเห็ น, นี้ก็เรียกพระเจ้ากันนะว่าปัจจุบันพอาศาสนาคริสต์อิสลามซิก ฮินดูเมกีเนี่ยมาเรียกพระเจ้าขเขาแล้วไม่กลา้าพูดเลยแต่คนโบราณก็บอก <c oughs> ต้องเคารพพระเจ้าพระสงฆ์เรียกเรียกพระเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้อยู่โคนไม้เป็นผู้ฉันอาสนะแล้วเป็นผู้ได้ฌานสมาบัติแปดแปลว่าอะไรได้ปฐมฌานทานตาานุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและได้อารูปฌานสี่แปดแล้วยังเป็นสำคัญตนเองว่าได้ตรงนี้นยกตนข่มผู้อื่นผู้อื่นไม่ได้เท่าเราอย่างนี้เป็นอาสัตบุรุษหมดเลย เห็นไหมตั้งแต่ระดับตั้งแต่ตั้งแต่ที่จากลาบสกาลาไปจนถึงได้คุณธรรมเบื้องสูงโดยซ้ำไปยกเว้นมรรคผลส่วนสัตว์บุรุษเนี่ยก็มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนะตรงกันข้ามทีนี้ในพระหูทาต ก, กาสูตรนี่ก็ในอุปริบนาดเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสถึงภัยอันตรายอุปคว่าเกิดจากคนพา น, นยไม่ใช่เกิดจากบัณฑิตแล้วก็แสดงลักษณะของบัณฑิต เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาในธาตุคือสามารถแตกฉาบในธาตุในอายตนะในปฏิจจสมุปบาทในฐานะในอาฐานะเป็นต้นส่วนในภารปัณฑิตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถึงคนพานว่ามีลักษณะสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำซุกชั่วส่วนบัณฑิตก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ที่ยกตรงนี้มาให้ดูก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของสัตว์บุรุษ ประการต่อมาก็คือลักษณะของสัตบุรุษหรือสัตวธรรมเจดประการธรรมของพระอริยะก็ได้ธรรมของสัตว์บุรุษก็ได้อริยะสาวกในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อความตัตต ร, รู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม่พ่อเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอารหรันตัตตุ ร, รู้ชอบได้โดยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถี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 ผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยตนเองเป็นต้นถ้าจิตนอบน้อมไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสัตว์บุรุษจริงประการที่สองเขเป็นคนผู้มีหิริหิริในที่นั้นก็แปลว่าละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนโทุจริตละอายต่อการถึงพร้อมด้วยบาปอกุศลธระมันลามกเขาจะมีความละอายมากถ้าหากเขาจะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตลงมาเนี่ยหรือเขาจะมีความละอายมากทั้งๆที่คนอื่นไม่รู้เลยแต่ว่า ในขณะหนะใดใจก็เป็นบาปก็เคยมีความรู้สึกไหมเวลาความโลภเกิดขึ้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห ม, ไหมทั้งๆความโลภเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งยืนเดินนอนอยู่เนี่ยคนอื่นถามว่าคนอื่นก็ไม่รู้เราแต่จริ ง, รงๆเขารู้นะเทพเทวดาลักทั้งหลายที่ก็มียานะพิญญาเป็นต้นหรือคนที่มีพญญาทั้งหลายเขารู้แต่เขาไม่พูดแต่ที่แน่ๆคือเรารู้ใช่ไหมเช่นเราจะคิดอะไรไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่า เวลาบาปอากุศลเกิดขึ้นกับใครเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตนเองก็เป็นสักขีพยานอยู่แท้ๆจริงๆน่าจะละอายตนเองบ้างแต่ที่ที่ไม่ละอายว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราคิดเขาข้างตนเองตลอดใช่ไหมผมไม่เห็นเป็นไรถ้าจะให้บาปเกิดบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นความสุขในชีวิตไปเลยเด็กคนทําไมถึงกล้าทําบาปเพราะว่าบาปมีอาสาท่านะคือมันให้ความมันให้ความสุขในขณะทำบาปบางอย่างเป็นอย่างนั้น ประการที่สามเป็นผู้มีโอดตปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายธุจริตรวจีจโโทุจิริมโนทุจิริแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อบาปอกศุศลธรรมะรามุขที่เขาสะดุ้งกลัวเนี่ยก็กลัวอะไรอ่ะเวลากายธุจริเกิดขึ้นเช่นจะฆ่าสัตว์เป็นต้นวจีทุจริเช่นจะพูดเท็จมโนทุจริตคือจะคิดโลภคิดโกรธแล้วเห็นผิดเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสะดุ้งกลัวอะไรที่จริงเขากลัวต่อผลนผลที่ ตนเองจะต้องเป็นผู้รับไงเขาสะดุ้งกลัวตรงนั้นเอาทําไมถึงสะดุ้งกลัวไปกลัวทําไมใช่ไหอไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเข้าใจกรรมและผลของกรรมดีเขาแล้วก็เห็นอยู่ใช่ไหมเขาเห็นอยู่คนบางคนก็ประสบทุกคนบางคนก็ประสบสุขคนบางคนประสบความวิบัติวิบัติพัดพลาดเป็นต้นคนบางคนก็สมหวังเนี่ยเขาเห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วอยู่ฉะนั้นพอบาปอากุศล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 ศีล ส, สมถะงามในเบื้องต้นเงี้ยวิปัสสนางามในท่ามกลางมรรคผลงามในที่สุดเป็นต้นอย่างนี้สมมติหศีล ส, สมถะงามในเบื้องตน้นสมถะเออเขาเยกว้วิปัสสนาและอริยมรรคงามในท่ามกลางผลและพระนิพพานงามในที่สุดหรืออย่างการแยกแยะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นการฟังคําสอนศึกษาคําสอนมาม า, มากๆากเลย เวลาท่านเหล่านั้นจะไปเจริญงดงามในศีลสมาธิปัญญาจะไปพ่อพูนประมชิมาปฏิปทาเป็นต้นเหล่าเนี้เขาก็เหมือนมีพระพุทธเจ้าคอยบอกแนวทางอยู่ตลอดเวลาประการที่ห้าเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบันไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคําว่าปาราบความเพียรเนี่ยก็แปลว่าละบาปอย่างหนึ่งก็ถึงพร้อมแห่งกุศลอย่างหนึ่ง แล้วก็เข้มแข็งด้วยบากบันด้วยไม่ทอดทุลาในกุศลธรรมเช่นศีนกุศลเนี่ยนะบางคนก็อย่าพึ่งทําเลยเนี่ยอีเขาเก็เรียกทอดนะทุลาเนี่ยทว่าทอดทุลาแปลว่าไม่เพียรพยายามไม่ขมักขม่นในการที่จะน้อมกายกรรมวิญญกรรมเป็นต้นนี่เป็นกุศลศีลมโนกรรมเป็นต้นใี่เป็นกุศลศีลเป็นต้นเหไรเนี่นะและสมาธิและปัญญาเป็นต้นอะไรเนี้่ยถ้าคนที่มีความเข้มแข็งมีความบากบันไม่ทอดทุลาในกุศลธรรมทั้งหลายก็แปลว่าได้กุศลธรรมไม่หยุดอยู่ ถ้สังเกตดูคนทํางานน่ะนะเวลาก็ทํางานคนที่ขยันทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ค่อยหยุดบ่อยก็ไม่ค่อยหยุดบ่อยอันนี้แปลว่าคนที่ก็มีความเพียรเขาก็เล่งทํำก็ไปเรื่อยแล้วก็ตั้งเป้าหมายก็าว่าจะต้องทําให้เสร็จคนบางคนนี่กลัวใจจริงๆนะเคยเห็นคนที่บ้านคนนี้กลัวใจถ้าลูกหลานเจ็บป่วยนี่ก็โยนจอบยอมโยนเสียมให้เลยแม่ยานะบอกว่าพ่อบวดหัวเนี่ยจะโยนจอบโยนเสียมให้เอาให้ไปขุดดินเน่ะแล้วเป็นอย่างนั้นแทวทุกคน ลูกหลานแกแต่และคนแกล่งหมดโดนแกล่งหมดแลดูโอ้โหตัวแกก็เป็นยังไงขนาดอายุทั้งเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนี่นะแกยยังขุดดินยังทางอู้แข่งไรเป็นคนความเพียรเพียรมากอะ่ะที่ตะกับความเพียรตรงนั้นมาเจริญกุศลน่าจะไปได้เร็วมากเลยนี่คนก็มีความบากบาั่นมีความเพียรนะไม่ทอดทุเลาไม่ทอดทุเลในการงานทีนี้ถ้าอย่างเราก็คือไม่ทอดทุระในกุศลแปลว่าอ วันนี้ได้แค่นี้พอแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกทอดตัละเกินวันอย่างเี้ยเรียกทอดตัละเดี๋ยวโอเ้เราก็เราก็ดีขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรขนาดนั้นนี่ไม่ไม่งอกเงยในกลุ่มในกลุ่มที่กลุ่มศึกษาคำสอนของพระเจ้านี่เขาเขาไม่ทอดุัละกลุ่มที่ไม่ทอดุัละเนี่ยเขาจะเขาจะมีความหวังและความหวังของเขาก็จะสําเร็จเหมือนในอากังขยัสูนี่ยจะต้องเป็นคนมีความเพียรดังนั้นอย่างที่ ความหวัง17ประการเป็นต้นเที่หวังว่าเราพึงเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรมจารีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้คนที่มีความเพียรในการเจริญกุศลธรรมเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยเพื่อนพรมจรันทร์หรือเพื่อนพนมจารีคนประพฤติธรรมร่วมกันเนี่ยนะผู้บุคคลที่เป็นพฤติธรรมร่วมกับเขาเนี่ยเขาลักใครก็ชอบใช่ไหมไม่ต้องอะไรถ้าเรามีคนงานก็ดีมีเพื่อนก็ดีที่อยู่ในบ้านด้วยกันและเป็นคนขยักขยันเนี่ย เก็บกวาดก็เรียบร้อยทําอะไรโอ้โหไม่มีต้องพูดต้องโบนต้องว่าเลยเรารักเลยมีอะไรก็นึกถึงแต่ต้องกันข้ามเราก็ไม่ชอบใช่ไหมจ๊ะังั้นคนที่มีความเพียนเป็นต้นเหล่าเนี้ยประการต่อมาคือว่าเออบุคคลที่มีศีลเป็นต้นเหล่านี้นะมีศีลที่บริบูรณ์มากไปด้วยปาติโมกสังวรมีความสํารวมในปาติโมกประพฤติถึงพร้อมด้วยอาจาระความประพฤติและโคจรละทางเห่งความดําเนินเป็นผู้มีปกติเห็นภัย โทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสึกษาบุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นพระเนี่ยนะเหมือนเี้ยเขาบอกว่าให้ทานรักษาศีลเนะี่ยถาว่าให้ทานแล้วก็น้อมในศีลนหะ้าแล้วรักษาศีลนหะ้าแบบไม่มีตัณหามานะที่ถีก็เยอะบนด้วยเนอะเขบอกหวังอะไรก็ได้เช่นหวงังอยากไ ด, ได้เสื้อผ้าก็ได้ได้อาหารก็ได้ได้ที่อยู่ก็ได้ได้ได้ยารักษาโรค ก, ก็ได้เพราะว่าพะเจ้าท้าเลยนะภิกษุเนี่ยบอกว่าเอาเอถ้าเธอเนี่ยว่าไงนะ หนึ่งมีปฏิโมกสังวรศีลมีอินทรีสังวรศีลมามีอาชีวะปริสุทธิศีลมีปัจจัยสันนิสิตาศีเนี่ยมีศีลทั้งสี่ประการแล้วก็เจริญในสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนีให้ต่อนเนื่องเนี่ยถ้าเธอหวังจีวรเธอได้จีวรใช่ไหมหวังอาหารนบินทบาตก็ได้หวังเสนาสนาก็ได้หรือหวังคีฬานเพศสัตว์ที่ดีๆก็ได้คือท้าให้ดูว่ากุศลศีลเนี่ยหวังอะไรก็ได้ทีนี้ มันก็มียอมอยู่คนแล้วก็เขาก็เล่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ทําทองไปทําทองแบบว่าอะไรนะเศษทองที่คนก็ทําทองแล้วมันจะหล่นล่วงกับพื้นแล้วเขาก็จะกวาดเอาทั้งขยะทั้งดินทั้งอะไรต่างๆไปเซ็ตเขาก็เอาไปเอาไปเบ็เสร็จเขาก็จะไปเข้าเบ้าหลอมแล้วก็เอาออกมา ก็จะได้เป็นบริษัทใหญ่ในประเทศไทยของเราแล้วทำไงาอย่างนี้แล้วที่ทำมาอย่างนี้เบีดเสร็จก็แกก็เป็นคนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลต่อมาก็ไปเจอภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ามาเบ็ยดเสร็จก็แปลว่าเออต้องจ่ายค่าคนงานเนี่ยเดือนนึงก็หลายล้านทาั้งลูกก็เป็นบริษัทแบบครอบครัวทั้งลูกๆก็บอกแม่ไม่ไหวแล้วนี่บริษัทจะไปไม่ไหวต้องมีการลดพนักงานใช่ไหมฮ แกก็ไปนั่งคิดว่าเอ๊ะเราเป็นคนแล้วเข้าวัดฟังธรรมศึกษาธรรมบิดาธรรมเนี่ยนะเนี่ยถ้าไปลดคนงานเนี่ยเราก็มันก็ใจเราก็ขาดมิตาพยายามแต่ก่อนตอนเราไม่มีเขาคนเหล่านี้เขาทาให้เรามีฐานะมีหน้าตาขึ้นมาได้อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอประสบปัญหาอะไรต่างๆแล้วทําไมไปใจดําในการที่จะลดคนงานเป็นต้นเอะไรนี้<ม><ม>ก็บอกกับลูกว่าอย่าไปลดสู้ต่อไปพอสู้ต่อไปเรื่อยๆนะเข้านะเข้าคู่ค้า ลายใหญ่ๆประมาณห้าลายก็ถอนถอนถอนๆก็เริ่มเลยเริ่มปั่นบวนก็เข้าวัดเข้าวัดไปเสร็จเสร็จก็พระก็ให้กําลังใจว่าพรก็ให้กําลังใจมอกว่ารักพระศีลพอพึ่งปฏิบัติเนี่ยนั่งกรรมฐานสวดมนต์เนี่ยไม่ไม่จนแร้วเพราะพระุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมศีลเลนะสุขติงยันติศีลเลนะโพก็สัมปทานศีลศีลเป็นบัจจัยเกิดโฟกทรซัพยันจะไปจนได้ไงเดี๋ยวเชื่อหรือเปล่าเราหวังใช่ไหม ถ้าจริงๆแค่ดูในสูตรนี่จริงๆเงี้ยเหมือนถ้าเราดูประวัติของอาณาถาปิณิกาเศรษฐีเนี่ยตอนอาณาถาปิณิการเศรษฐีเนี่ยยากจนเนี่ยนะจนลงเนี่ยจนอย่าว่าแต่มนุษย์ในเมืองนั้นเลยนะเดือดร้อนนะเออไม่ใช่บริวารของอาณาถาเนะ่แต่แกไม่ทิ้งบริวารเหมือนกันอาาถาปิณิการเศรษฐีนะี่ยนะเทวดาที่อยู่ในนั้นเน่ะก็ได้เครื่องเส้นน้อยลงปกตินี่แคจะบูชาเทวดาใช่ไหม ก็มีดอกไมก้มีของหอมมีอะไรต่างๆ ก, ก็ปกติเกเชื่อการบูชามีผลเกก็ให้ไม่ใช่จะให้มนุษย์นะเทวดากก็ให้เทวดาก็เริ่มเดือดร้อนใจโอ้โหเราได้ของบูชาน้อยก็ไปเข้านิมิตมาบอกเลยคือแปลงกายเห็นเลยบอกเลิกทาบุญจากกับพระพุทธเจ้าสาวว่าของพระเจ้าเสียฐานะจะได้ดีขึ้นโอ้เดือดร้อนเลยก็าพูดคำนี้ ถ้าใครมาบอกกับอนาถาปินฑิกาเศรษฐีอย่างเงี้ยอนาถาท่านจะบอกว่าท่านนี้เป็นอมิตรนะเป็นคนพานนี่ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าเอาเอาไปหีนะไล่ทันทีเลยให้ออกไปจากนิเวศสถานคือที่ของแกทั้งหมดให้ออกไปห้ามเข้ามาคิดดูคนที่เป็นเจ้าของที่เออย่างเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยแปลกนะเราจะเชิญเทวดาคนไหนออกก็ได้นี่นี่อำนาจเจ้าของอันนี้ตอนนี้ยังมีอยู่นะแต่อำนาจไม่เที่ยงหรอกเชิญอนอกได้ตอนนี้ เชิญออกได้เทวดาก็เดือดร้อนเลยโอ้โหไปหาเทวดาชั้นผู้ใหญ่ว่าไม่มีที่อยู่แล้วใช่ไหมพวกเทวดาที่อยู่ในบ้านเรือ น, นผมไม่มีที่อยู่แล้วพวกท้าวยาตุมทั้งหลายก็แนเะเก็ต้องหาทางช่วยกันเศรษตีใช่ไหมเทวดาก็มาช่วยช่วยก็คือบอกบอกที่ทรัพย์สมบัติของเศรษตีที่เคยหายไปฝังดินหายไป นี่สุดไม่นานเลยกลับคืนมาทีนี้มันมีพรามคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนเรื่องวิชาเรื่องสริเรื่องมงคลเนี่ยนะพรามคนเนี้ยเป็นอาจารย์สอนมีลูกศิษย์เป็นหลายร้อยคนเนี่ยแกก็พิจารณาไอ้คนล่มโจมปป๊บเดียวถ้รวยขึ้นมาเนี่ย้ทั้งผู้นี้จะต้องมีสลิมีสีมีมงคลอยู่กับตนเองใช่ไหมก็ อ, อยากจะไปดูหน่อยจะเข้าไปในบ้านนั่นเศรษฐีจะไปดูหน่อยตัวสีสลิมงคลเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกมิ่งขวัญ น, น่ยนะคนที่มีลักษณะ เด่นหรือมีมีมงคลอยู่กับตัวเลยก็ต้องไปดูว่าเออเอสิริหรือสีมงคลของเศรษฐีอยู่ตรงไหนแกทําทีทําท่าจะไปเยี่ยมนี่พอไปเยี่ยมเบียดเสดถ้าเห็นจะได้แอบขอโมยมะไอ้ น, นี่ก็คิดไม่ดีนะคนเป็นอาจารย์สอนกนนี้คิดไม่ดีก็ไปเลยพอไปโอ้ไปถึงเศรษฐี<ม>เห็นโอ้เนี่อาจารย์สอนวิชาไอ้พวกพราหม์มาหนี่ระดับผู้ใหญ่มาใช่ไหมก็เออต้อนรับแกเป็นคนอ่อนน้อม ตอนรับขับสู้อะไรต่างๆสนนาบาทีทีนี้อาจารย์คนนี้เป็นคนที่เข้าใจพูดเข้าใจหลักภาษาก็ใช้ภาษาในการในการกล่าวภาษาในการกล่าวก็บอกอู้เนี่ยพูดถึงบอกว่าต้นไม้เนี่ยพูดแบบสรุปเนี่ยต้นไม้เนี่ยเออต้นไม้ใบหญ้าไ อ, อ้ต้นไม้ที่มันมีดอกมีผลเนี่ยเออมันเวลามันเกิดขึ้นมาในโลกใบนียมันก็เพื่อประโยชน์แก่โลกใบนี้โดยแท้นะ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 เขาเข้าใจพูดอย่างนี้ก็ก็บอกไม่ได้ไม่ได้รับการสารเสวญหรือยกย่องแต่ท่านเศรษฐีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเกิดมาเนี่ยเพื่อไงเพื่อให้บุคคลอื่นเนี่ยทีนี้บุคคลที่ท่านเศรษฐีให้ไปบุคคลเหล่านั้นทั้งเมืองเลยต่างก็สารเสรินท่านเศรษฐีที่ว่าไม่ก็ยกเปรียบเทียบให้เศรษฐีทีนี้ในขณะที่พูดไปเน่ยสายตาก็สอดสายไปนี่สริวิสีบอกว่าท่านเศรษฐีอยู่ตรงไหนก็ไปเห็นไก่ไก่ตัวหนึ่งขาวปลอดงาม เห็นสีเห็นสีเห็นมงคลอยู่ที่หงอนไก่คล้ายว่าโอ้เนี่ยมันเหมือนกับพวกพราหมณ์เขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาจะเชื่อว่าโอ้มีมงคลอยู่ในบ้านพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปหามงคลกันแบบข้างนอกเลยมีมงคลอยู่ในบ้านแล้วโอ้จะทําให้กิจการดีอแบบะไรเงี้ยเบ็ดเสร็จก็เอ่ยตาก ท, ที่ที่วิทยาลัยที่โรงเรียนก็าอาจจะมาของของของข้าพเจ้าเนี่ยมีไก่อยู่ตัวที่เลี้ยงเขาไว้เนี่ยมันขันไม่เป็นเวลาคือ คือนักเรียนเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยปกติต้องตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาไ้ไก่ตอนนี้บางทีมันขันตั้งแต่ตีสามม่ลูกศิษย์ก็เอ้ารีบตื่นขึ้นมาก็มาท่องมนหลั บ, ห ล, บหลับตื่นตื่นกันบ้างเนี้ยเออคือขันไม่เป็นเวลาอยากจะขันตีสามก็ตีสามตีสี่ตีสองก็ขันเงี้ยไม่เป็นเวลาเลยเป็นปัญหาวุ่นวายไปหมดที่โรงเรียนแบบนั้นนี่แม้ได้ทราบข่าวว่าไก่ของท่านเศรษฐีเนี่ยขันตรงเวลาไบบนี้ ถ้าได้ไก่ตัวนี้ไปไว้เนี่ยแม้การศึกษาการเล่าเรียนนี่คงจะคงจะดีแล้วนักศึกษานักเรียนก็คงจะไม่ไม่หลับในขณะที่เรียนเป็นต้นปัญหาในการวุ่นวายในโรงเรียนก็ไม่เกิดเวทีก็โอ้โหให้โดยนับเะไม่เป็นไราอาจารย์เนีย่ยว่าแต่ไก่เลยนอกจากไก่ตัวนี้ซึ่งมีเป็นของโปรนข้าพเจ้าก็ดีข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะให้แต่ถ้าท่านอาจารย์ปรารถนาสิ่งอื่น ก็พ้อมที่จะให้อีกนะอย่าเงี้ยเนี่ยพอบอกว่าให้ไก่ยกไก่ให้ปุ๊บเนี่ย ส, สิรนะิฤษีน่ะมันหายแวบไปเลยมันหายไปแล้วไปอยู่บนแก้วมณีที่อยู่บนศรีรษะของท่านเศรษฐีมันเคลื่อนที่เยอะเลยจะมาก็ได้หนึ่งไม่ได้แล้วจะต้องเอาสองพอไปขอที่แก้วสิริฤษีก็ย้ายไปเรื่อยแกก็คิดโอ้่ยเราไม่มีบุญเสริรินะสิริโพคานะมาสโยดสิริเป็นที่มานอนเอง่งพวกกระซ ชาปสมบัติทั้งหลายมันเป็นของคนมีบุญขเขามันเป็นรักหรือไปเอาของกันไม่ได้เป็นไงพุทธเจ้าตรัสคํำนี้นั้นเวลาคนเขามีบุญเนี่ยเวลาเราดูคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยถ้าเราปราถนาที่จะมีอย่างเขาบ้างทําได้อย่างเดียวคืออนุมโมทนายินดีกับเขาให้เป็ น, นย อ, ยปอย่าไปอย่าไปอารติกับเขาแปลว่าไปยินร้ายกับเขาออื you, ถ้าไปมีคนนี้ ก, กูคงหลงไปคิดเย่างนี้อย่างนี้เราจะเสียเราจะยิ่งเสียใหญ่เลย อพุทธศาสนาสอนบางคนไม่ใช่สอนให้ทําใจนะคำนี้นะแต่สอนให้อนุโมทนากับเขาที่เขามีบุญบุญสนที่เขามีสิริมีแต่สิริหรือศีหรือมงคลตรงนั้นเนี่ยตกอยู่ในกฎตรลักษ์ใช่ไหมถ้าคนคนนั้นบุญหมดก็หมดแต่ยังมีบุญอยู่ก็ตรงนี้วัตถุประสงค์ตรงนี้ที่พูดก็พูดว่าไอ้ความหวังเนี่ยเี่ยความหวังว่าถ้าคนมีศีลไหมท่านเศรษฐีเนี่ย แกจนแป๊บเดียวแกขึ้นมาแล้วที่พูดยกตัวอย่างยอมคนนี้ก็เหมือนกันที่พูดจนยืดยาวเลยอะเยอะเยอะเลยยอมคนนี้เขาพอตกตามตกตามมาเป็นเสร็จพระกับให้แกทําบุญเออให้ทําบุญให้ทําบุญเทอะไร่ไม่ว่าฟังเราฟังก็จะตกใจให้ทําบุญเนี่ยเอาทองเยแต่พระก็พูดอย่างนั้นก็ดูไม่ถูกแต่แกทําก็เป็นบุญแก่เอาทองไปหล่อพุทธลูกเนี่ยร้อยบาทร้อยบาทเนี่ ย, ยไหมแปลว่าหนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งชุดหรือหนึ่งเจ้าผ้าเนี่ร้ยบาทแต่ให้รับสรสามชุด ก็เป็นทองคำสามร้อยบาทนเรื่องนี้มันเกิดเดือนที่แล้วนี่แกก็รับทันทีเลยว่าทั้งๆที่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วหมดแล้วเนี่ยมาบอกกับลูกลูกที่ไหนบองไทรเล่ากันเล่าไชอบี่ยแกเอ๊ะทำไมถึงทําพูดยังไงอแต่กก็มานั่งที่ได้ทำอย่างนี้ที่บริษัทแกเป็นอย่างนี้เวลาเวลานั่นทองออกมาเลยเศษดินก็ไปทิ้งหลังบริษัททิ้งหลังบริษัทไอ้ดินที่กองทำมาประมาณสามสิบกว่าปีเนี่ยดินที่กองอยู่เนี่ยมีประมาณ ยี่สิบกตันนะ ไ, ไอ้ยี่สิบกตันเนี่ยแกก็ไม่กล้าไปทิ้งที่อื่นจะคิดว่าจะหาหนทางทําไงจะกลับมาถลุงเพราะมันจะต้องมีเหลืออยู่ทองในนี่ยและแต่ก่อนไอ้เครื่องถลุงเนี่ยอุปกรณ์ในการถลุงเนี่ยชุดหนึ่งก็หลายหมื่นบาทแต่อยู่ต่อมาไม่รู้เป็นไงไอ้เป็นผู้จัด ก, การเป็นบริษัทที่แกไปผลิตเครื่องอะไรได้ราคาไม่กี่พันแล้วมาก็เอามาถลุงตอนนี้เริ่มถลุงใหญ่แล้ววัตนตีทองไหลมาไม่รู้เท่าไหร่เลยนี้ ร้อยบาทนี่แป๊บเดียวก็ได้เสียดินไปไม่เท่าไรแกกล่าวว่าเนี่แกเดี๋ยวตอนนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจใครจะสุดยังไงของแกขึ้นก็ใช่ตอนนี้ได้ทองนี่แกบอกส่งทองถวายพระเรียบร้อยไปแล้วสามร้อยบาทที่เหลือนี่เป็นกำไรแกหมดเลยก็ที่เก็บมาตั้งสามสิบกว่าปีหรือสามสิบกว่าปีจะฟื้นแน่นอนนี่ในกลุ่มที่คนชักทุนไปห้าหกทุนแรงดังก็หันเข้ามาตอนนี้ก็กิจการก็ดาเนินไป แกก็เลยพู้ฟงเออเนี่ยสงสัยเป็นพราะกุศลศีลที่แกรักษามาเนี่ยนะกุศลศีลที่จริงเนี่ยตรงนี้เป็นผลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะเป็นผลเล็กๆน้อยๆทีนี้คนที่จะมีความเชื่อเชื่อตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมีโดยมากก็เอ๊ะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ยกตัวอย่างให้เห็นในเรื่องว่าเกี่ยวกับในเรื่องของใน วัตถุประสงค์ตรงนี้ที่จะพูดก็คือพูดในสัภาสะวะสังวรสูตรหรือพูดเรื่องสัภาสะวะสูตรสูตรที่พูดในเรื่องของอาสะวะดังที่ได้กล่าวในสูตรนี้ยังไม่ได้กล่าวในรายละเอียดอะไรมากเนีคือว่าก็จะขอเข้าในรายละเอียดอาสะวะที่พึงละได้โดยทัศนาเป็นต้นนั่นนี้ครั้งหนึ่งนะข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาพเจ้าเสด็จประทับหน้วิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีพระนครสาวัตถีเรารู้ไหมว่าอนาถาปิณิกาเศรษฐีในชื่อเดิมชื่ออะไรชื่อเดิมของท่านในชื่อวสุทัตตเนี่ยะคําว่าทัตะานี่แปลว่าให้นะสุนี่แปลว่าดีแต่คนไม่นิยมเรียกชื่อท่านอนาถาปินิกาเศรษฐีวสุทัตตเศรษฐีจะเรียกว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีคําว่าอนาถาปินฑิกาเศรษฐีเนี่ยคำว่าอนาถาก็คืออนาถเนี่ยก็คือเกี่ยวกับคนยากจน ปินทิกานั้นเป็นชื่อของก้อนข้าวนะเสถี๋ยถ้าแปลโดยใจความก็คือผู้มีก้อนข้าวสําหรับคนอนาถานแปลว่าเป็นที่พึ่งของคนยากจนเนี่ยเขาก็เรียกอนาถะปินทิกาเศรษฐีแต่อาสุทัตตะไม่คนมีคนเรียกเออคาว่าก็เหมือนที่พูดว่าคําว่าเหมือนอะไเทวทัตเนี่ยใช่ไหมสทัตตะตัวนั้นก็แปลว่าให้เหมือนกันเทวะก็คือเทวดาเนะ่เทวทัศน์ก็แปลว่า เทวดาให้มาตั้งสองพันกว่าปีเวล้มีใครตั้งชื่อลูกว่าเทวทัตไหมทั้งๆชื่อดีนะเทวทัศน์เนี่ยคือเทวดาให้มาวันก่อนก็ไปเจอนี่เขาเล่ากันก็มีเนี่ยพระที่เคยมาบวชที่นี่นี่เขาเล่านินทารับหลังเขาชื่ออินทัศนตเออมานึกถึงคําว่าเทวทัศนตถ้าเทวทัศตในเทวดาให้มาใช่ไหมอินทัศน์ก็คือพระอินให้มาเนี่ย เพแปลกแปลกตรงไหนหรู้ไหมพ่อแกอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะเ ก, ก็ออกไปแล้วบอกแกอยู่ไม่ได้ออกไปแกก็ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้แกก็เนี่ยไปอยู่ ใ, ใกล้ๆถึงอยูใย่ในบางวรมากจะทำํำแกแกจะทําพิธียกสารวัภภูมิให้โยมบ้างแรงดังตัเนี้ยดั ง, ดงไปไปมาโยมก็ไปทําที่อยู่ให้ต่างหากทําว่าอยู่ที่ไหนวัดวา่ารานแตกกระสานยันเยอะเซนหมดมีโยมก็มาถามคนก็ศรัทธาเยอะเนี่ยเข้ามาถามที่ลูกศิษย์ใครเนี้ย เมี่อก่อนก็เข้าไปในโบสถ์ก็ถามทางหลวงพ่อญาวาทุกเนี่ยท่านก็เป็นคู่ตรวจเนี่ยมันนึกเอ๊ะมันนึกถึงชื่อแต่ตอนนี้ก็จัดการไปเลยคําว่าอินทัศใช่ไหมพระอินให้มาก็เหมือนเทวดาให้มาอีกความหมายหนึ่งก็คือเทวทัดนท่านเองคำว่าอินทัศเนี่ยชื่อไม่ดียังมีพฤติกรรมไม่ดีจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับชื่อนะแต่จริงๆก็คือมาทํามานั่งคิดโอ้คือท่านทำไม่ถูกกระทาไม่ถูกทินัยนเราก็ เขาก็ดมเนินกันแล้วคนจะติดเยอะไอคนที่ทําวิธีปลูกสารพระภูมิให้บ้างสะดอกเคาะต่อชะตายอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาสังคมไทยเราทุกวันสังคมไทยศึกษาไม่ดีพอหน้าที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับทูลพระผู้มีภาคว่าพระเจ้าข่าพระผู้มีภาคได้ตรัสกับภพ แต่พุทธพจนิวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปริยายว่าโดยการสังวร อ, อาสะวะทั้งปวงแก่พวกเธอเธอจงฟังคำว่าเราจักแสดงปริยายด้วยการสังวร อ, อาสะวะทั้งปวงหมายถึงว่าเราจักแสดงการปิดเนี่ยการปิดอาสะวะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าแสดงตรัสถึงวิธีการละอาสะวะเจ็ดวิธีดำที่ได้กที่เราจัแสดง คืออาสวะที่พึงละได้โด ir like like ยการเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงหนึ่งอาสวะที่ละได้โดยการสํารวมอาสวะที่ละได้โดยการซ่องเศษอาสวะที่ละได้โดยการอดกลั่นอาสวะที่ละได้โดยการเว้นอาสวะที่ละได้โดยการบรรเทาแล้วก็อาสวะที่ละได้โดยการเจริญเนี่ยแบบว่าเธอจงฟังไตรงนี้ก็ขยายไว้ให้แต่ในนี้ยังไม่ได้ขยายอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระเจ้าว่างั้นเนื้อ เออพอตรัสในลักษณะอย่างนี้เนะภิกษุทั้งหลายก็ชื่นใจกันเนอะว่าเออเนี่ยต่อไปเราจะได้ละบาปล ะ, ะอกุศลธรรมได้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ใช่ไหมบอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะแสดงปริยายด้วยการสังวรอาสวะสังวรแปลว่าละเนี่ได้แปลว่าปิดก็ได้แ ป, ปดไดแปลว่ากั้นก็ได้ก็ mm hmm. คือเราจะกั้นอาสวะยังไงเช่นเวลาเห็นจะไม่ให้กามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างเนี้ย ก็เลยบอกเออการเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นตามความเป็จริงจะละได้และจะสํารวมยังไงไม่ให้อาสวะเกิดจะเสพยังไงไหมซ่องเสพยังไงจะไม่ให้อาสวะเกิดเป็นต้นหลายก็ทูลรัพระภูมิพรภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้ารับพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะไว้สําหรับภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะไว้สําหรับภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็น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 ถามลักษณะนี้เขาเรียกกระเถตุกกรรมยาตาปุชฉาถามเพื่อตอบเองยกประเด็นปัญหาขึ้นมาตั้งปุ๊บตอบเองแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนอื่นตอบบอกว่ารู้อะไรเห็นอะไรบอกความสิ้นอาสวะจะมีได้แค่ภิกษุผู้ ร, รู้ผู้รู้เห็นโย น, นิโสมนัสิการและอโย น, นิโสมนัสิการตรงนี้พระองค์ตรัสเกี่ยวเรื่องอะไรบอกว่าในมูลปริยายสูตรนี่นะในสัพพาสวะสูตร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 นีปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้ได้สดับเนี่ยนะเขาบอกว่าบุคคลที่ไม่ได้ปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้พบไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของจากพระอริยอสัจบุรุษอันเป็นประโตโขโศว่าทําให้ปุถุชนนั้นไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจพิจารณาเมื่อไม่รู้ถึงจึงพิจารณาที่ไม่ไม่พิจารณาก็ไม่พิจารณาธรรมที่ควรพิจารณาก็เป็นเหตุให้อาสวะเกิดขึ้นเป็นเหตุให้กามอสวะคืออาสวะคือกามความ ติดยึดถือในการเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ภาวาสวะอาสวะคือพบความยึดติดในพบโดยความในความเป็นเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุแห่งการยึดติดในอวิชชาสวะอาสวะคือความหลงไม่รู้เนี่ยก็เกิดขึ้นนั้นปุถุชนในพิจารณาโดยไม่แยบคายเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยให้กามาสวาภาวาสวะและอวิชชาสวะเป็นต้นเกิดขึ้นตรงนี้นี่นะ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 และที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญถามว่าอาสะวะทั้งหลายในที่นั้นคืออะไรคือการมาสะวะความติดในการมาคุณทั้งหลายภาวาสะวะความติดในภพทั้งหลายทั้งการมาภพรูปภพอรูปภ พ, ปพนี่เนะอะอวิชาสะวะคือความหลงความไม่รู้ทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาสะวะเหล่านั้นก็ถึงความเจริญขึ้น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 พอเว้นรอบก็ได้อาสะวะที่ละได้โดยการบรรเทาแล้วก็อาสะวะที่พึงละได้โดยการอบรมโดยการเจริญก็มีเจอย่างนะสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีโยนิโสมณสิการเนี่ยอาสะวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้ด้ยส่วนถ้าหากมีอโยนิโสมณัสิการแล้วเนี่ยอาสวะทั้งหลายกามาสวะภาวสวะอวิชาสวะเนี่ยที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญนี่นะแล้วท่านก็ขยายต่อไปบอกว่า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 ย่อมไม่รู้ธรรมอันตนควรมนสิการเมื่อเขาไม่รู้ธรรมที่ควรมนสิการไม่รู้ธรรมที่ไม่ไม่ควรมนาสิการย่อมมนาสิการธรรมที่ไม่ควรมนาสิการและก็ไม่มนาสิการธรรมที่ควรมนาสิการตรงนี้ท่านยกปุรุชนเข้าไว้ความหมายของคาว่าปุตุชนเนี่ยที่ผู้ไม่ได้สดับเนี่ยปุรุชนผู้ประกอบไปด้วยทิฏฐิสังโยชนย่อมไม่พ้นจากชาต คือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโศกะคือความเศร้าโศกปริเทวะคือความคร่ำครวญลำพันธุกขะคือทุกข์กายโทมิณ่าก็คือความทุกข์ใจอุปายาตคือความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นใจไปจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยใจความของปุถุชนเนี่ยเป็นอย่างนี้นั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะก็ประกอบไปด้วยทิฏฐิสังโยชน์ประกอบไปด้วยความเห็นผิดเนี่ย ถ้าค น, นไม่ได้ศึกษาคําสอนไม่ได้เรียนคําสอนไม่ได้น้อมจิตใจมาในคําสอนเนี่ยทิฏฐิเกิดขึ้นพอทิฏฐิเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแกช่ชาติชรามรณะโสกกป ร, ปริเทวทุกขโทมนะสายและก็อุบาย ญ, ญาติเขาก็จะประสบกับความทุกข์อย่างเนี้ลำๆอยู่ลำไปใช่ไหมถึงจะเกิดอีกร้อยชาติพันชาติก็เนี่ยก็มีชาติติดชาติทุกข์ชร า, าทุกข์เป็นต้ น, นส่วนอริยะสาวกผู้ดได้สดับ ได้พบอริยฉะฉลาดในธรรมของปริยะได้รับการแนะนําด้วยดีในธรรมของอริยะได้พบสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนําด้วยดีในธรรมของสัตบุรุษย่อมรู้ธรรมที่ควรมนสิก์จัคือใส่ใจพิจารณาและไม่ควรมนสิก์จัเนี่ยอริยาสาวกจะรู้ว่าอะไรควรเอามาใส่ใจให้ถูกอะไรควรใส่ใจผิด เม <agreements. S 2> ื่ออริยสาวกนั้นรู้ธรรมที่ควรมานสิการและไม่มานสิการย่อมไม่ are, ามานสิการทำที่ไม่ควรมานสิการย่อมมานสิการทำที่ควรมานสิการแล้วก็บอกว่าอาริยสาวกเนี่ยย่อมมานสิการโดยแยบคายว่านี้ทุกนี้เหตุ devices, ให้เกิดทุกขนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเมื่อริยสาวกมานสิการโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมลาสังโยชษมได้ละสักยอาทิได้ละวิจิกิจขาได้ละศีะระพตา ปรามาตย์ล้ละสักกายทิฏฐิคือความเห็นอันเป็นเหตุแห่งการยึดกายคือยึดกองของขันห้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิกตาสมประโยชน์นี้เนีจะเข้าไปยึดว่านี่รูปของเราเวทนาของเราสัญญาสังขารวิญญาณของเราเป็นต้นเราอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในเราไปยึดลักษณะอย่างนี้ เหมือนกบอกว่าเอ๊ะผมของใครผมของเราเนี่ยขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยมันจะมีเราเขายึดไปหมดแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอเน็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นมันไม่เคยไปประกาศบอกใครว่ามันเป็นของแต่เราไปประกาศอันนี้ภายในก็ยึดกันอยงภายนอกไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะหมดแต่การการที่เราการที่เราพูดว่าของเราเนี่ยถ้าคนที่เขารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเขา เขาของเราโดยสมมุติเนี่ยเขารู้ใช่ไหมแต่เรามันไม่คิดว่ามันสมมุติเนี่ยเช่นเสื้อเราเนี่ยเอ๊ะใครเอาเสื้อเราไปไหนเนี่ยถ้าเสื้อเราไปอยู่กับคนคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันมันพอยึดปุ๊บเนี่ยมันราค้าก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดก็ทํา ม, มาใช่ไหมเป็นอย่างนั้นถามว่าอย่างวัดบ้านเราเนี่ยนะมันก็บ้านเรามัทุกซอกทุกมุมทุกจุดทุกอนูมันเป็นของเราเไงเนี่ยเอ๊ะเรา จะให้เราคิดว่ามันไม่เป็นของเราเนี่ยในใจคิดอย่างเงี้ยมันจะขาดความเป็นจริงจริงๆให้เข้าใจว่าคําว่าของเราเนี่ยเป็นการสมมุติขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้นะของเราเนี่ยสมมุติขึ้นสมัยก่อนก็พ่อแม่เราก็เข้าใจว่าเป็นของด้านแต่ท่านก็ลากเอาไปไม่ได้เนี่ยทั้งนาทั้งไล่ทั้งทรัพย์สมบัติเนี่ยนะใครมาอยู่ก็มานั่งยึดกันอยู่เนี้ยยึดกันอยู่เนี้ยแล้วจะถ่ายทอดความยึดถือไปอีกหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนเนี่ยนะก็จะละเนี่ยก็จะเข้ามายึดยดกันอย่างเงี้ย แต่คนที่ยึดตั้งหลายก็พากันล้มหายตายจากไปหมดแล้วไม่มีใครยึดเลยถาวรเลยโอ้สมมตินะเราเกิดมาเป็นล้านชาติเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่เราไม่เคยยึดนะใช่ไหมเราไปเกิดเป็นเทวดาเราก็ไปนั่งยึดวิมานไม่นั่งยึดวิมานอยู่เกิดเป็นสัตว์ดิบชาติน่ยสังเกตดียึดของมันหมดแล้วเนี่ยที่ตรงไหนแรงต่างจอมปวกแรงต่างก็แล้วแต่เนี่ยหรือพวกปวกพวกแรงต่างแล้วไม่ขึ้นมาในบ้านมันถือของมันกินหมดก็ยึดอยู่อางนี้นั้นโดยสรุปก็คือเราเที่ยวยึด เนี่ยก็ยึดดินยึดน้ํำยึดไฟยึดลมกันอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ไปยึดอะไรมันมากมาไปกว่าเนี้ยึดดินยึดน้ำยึดไฟยึดลมใช่ไหมก็แจะยึดถือกันอยู่อย่างงี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เรารู้จักรักษาเนี่ยต้องคำความเข้าใจว่าที่เราไปรักษาดูแลอะไรต่างๆมันเป็นหน้าที่แต่ต้องรักษาแบบไม่ยึดพูดอย่ากเงี้นพูดงี่เง่าพูดยากทําใจยากครับเอพูดง่ายทําใจยากครเพราะว่าใครมาทําที่นอนเราเพื่อนหรอะไรแล้วมันโกรธหัวปัดหัวเหวี่ยงลูกดิ้ ก็มาโอแต่ว่าโดยหลักการคืออย่างนี้ว่าคือก็ให้พิจารณาพิจารณาให้ให้เห็นดังว่ามเจริงหนึ่งเนี้ว่าเออจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงที่เราสมมุติโดยความเป็นเราเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันเนี่ยก็ก็ก็เป็นหลักการสมมติกันทีนี้สมมุติขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจคําว่าสมมุติด้วยอย่าไปถือเอาจริงเอาจังตรงนั้นถ้าไปถือเอาจริงเอาจังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทกตามมาอีกเยอะเยอะหมดแล้วก็เหมือนการแย่งแผ่นดินกันอย่าทุกวันเนี่ย แผ่นดินไม่กี่ไายแย่งกันจะเป็นจะตายกันอยู่เนี่ยนี่มันมันแย่งกันมาทุกยุคทุกสมัยเลยนั่งแย่งปลุกระดมข้างกนนันมียอมอยู่คนหนึ่งนั่นน ง, งนั่งไปรอเดี๋ยเขาพูดตรื่งนี้ก็นึกในใจนั่งคิดไอ้ถ้าพูดเนี่ยยอมโกรธเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกคิดแล้วคิดอีกนะยอมก็พูดเรื่องดี้เรื่องชุมนมเรื่องการเนี่ยจะเสียแผ่นดินจะแรงต่างอี่มันนั่งคิดคิดไปได้จะพูดดีไหมเนี่ย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 ทั้งาลและวัดมันเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็เยยึดกันเดี๋ยวนี้มันเทียงเดี๋ยวนี้ขนาดว่าเออสให้ก่อนสมัยก่อนคำเหม็นเนี่ยก็เป็นของไทยใช่ไหมเนี่ยมันยึดกันไปขนาดนั้นลาวเออคเหม็นมเออพม่าไว้ส่วนหนึ่งถ้าคิดกันไปขนาดนั้นไม่ต้องยกกองทัพไปเล่นกันใหญ่มันก็เป็นไปเพื่อ บ, บาบอกุศลเอ า, เอาถ้าคำเหม็นก็คิดแต่ก่อนก็ข้อกองมาย็นย็นรอ บ, บุรีดูประสาทรอบุรีเป็นของขอมเขาเนีย่ยจะลบกันตายเลยแต่เนี้ยเราจะทําไง เนื้อทางนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปแถวการันตันการังตนูอีกมรากาแถวโน้นเอาของไทยเก่านี่ไม่ได้แร้วเนื้อเอาทั้งนี้ทังทั้งีเนี่ยสิบสองปันนาสิบสองคิวไทยเอาอีกแล้วไม่ได้แล้วเพราะเราได้ยึดมาได้ก่อนพวกนั้นก็จะไม่มีความสุขเลยชีวิก็มานั่งไล่เบี้ยกันอยู่นั้นในทางทางว่ายึดมากเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะนั่งหวงแหงียนกันก็เอานี่ก็มีไปที่ไหนพวกรักชา เดี๋ยวนี้เวลาไปนั่งไปที่กรุงเทพไปนั่งแท็กซี่เนี่ยโอ้โหน่าลองคานมากเลยเจออย่างเงี้ยพอไปถึงเบอร์เซอร์กเมททั้งในวิทยุในรถชมลมรถแท็กซี่เลยรกปแล้วเขาบอกก็เลยบอกว่านี่ปิดๆนะย้อนผ้าไม่ก็อยากจะรู้เรื่องเลยมี้วๆก็บอกก็ปิดโอ้โหไม่ได้เพราะงั้นมันชุมนมเงินแล้วไม่คนเดือดร้อนก็ว่ากันเลยบอกว่าเขาเดือดร้อนเราก็จะไปเดือดร้อนมิ้วไม่เดือดร้อนหร ก็ปล่อยเขาไปเอเดี๋ยวก็หมดแรงเขก็ไม่อยากเทีมโน้มเองมีอะไรแล้วคิดอะไรมากเลยดิโอ้คิดอย่างท่านไม่ได้แล้วเขาก็คิดอย่างท่านหนูเสียหายก็เอาว่าพาไปนอนเล่นปลาเองเลยกลายเป็นคนไม่การเป็นคนไม่รักชาตบอกว่ามัวแต่รักชาติเดี๋ยวหาเงินไปได้น้อยเดี๋ยวเมียที่บ้านดาวนะเขาบอกว่าจริงๆริงเนาะต้องเรียบหาเงินเนไปมัวรักชาติอยู่เมือเลยต้องออกลูกนี้เลย หมดเดี๋ยวรับชาติรับก้าวที่อยู่ตายหาเงินก็ได้น้อยต่อไปก็โดนผู้จัด ก, การด่าอยูสกายทิฏฐิก็ ค, คือความเห็นความเป็นเหตุถึงอบายนะก็หมายความว่าการที่เข้าไปยึดนะส่วนวิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยในคุณของบรพพุปะธรรมประสงค์ก็คือได้แก่วิจิกิจฉานี่แหละีลประทับป ร, า, บรา ม, มาตถก็คือความยึดศีลและพธิได้แก่ความยึดติดในลัติพิธีและการบัพพุปปฏิบัติที่ผิดต่างๆที่นําไปสู่ความทุกข์ คำว่าศีลพัตะปะาาฏเนี่ยเป็นการการยึดถือศีลและพจนยึดอะไรยึดติดในลัทธิประเพณีหรือลัทธิวิธีแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่างๆและการประพฤติปฏิบัติตัวเองนำไปสู่ความทุกข์ด้วยฉะนั้นอริยส า, าวกเนี่ยก็พิจารณาโดยแยบคายก็จะละสังยวดสามประการนี้ได้หนึ่งไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเรา สไม่สงสัยในคุณของบรัชนาไตรว่าจะเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์ได้จริงสก็คือไม่ปฏิบัติผิดไม่ยึดมั่นในพิธีลัที่พิธีต่างๆหรือการปฏิบัติผิดต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยนําไปสู่ความทุกข์ก็คือไม่ยึดตัวนี้นะไม่ยึดศีละพจน์ที่ผิดพลาดอันนี้เขาเรียกว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับส่วนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี่นะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ได้รับการแนะนําของธรรมพระอริยเป็นต้นไม่ได้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 อันนี้เห็นได้มาหน้านะเฮ้เราเป็นนั่นเป็นนี่ถามว่าเราเป็นนั่นเราเป็นอะไรดีตอนนี้เราเป็นอะไรดีตอนนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่การงานมีอะไรต่างๆก็ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เนี่ยนั่นเป็นอัตราของเรานั่นเป็นของของเรานี่ก็ไปยึดรักสนิเมื่อพิจารณาโดยไม่แยบคายก็ยึดถือด้วยทิฏฐิว่าที่กันหนักไปใหญ่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้ก็ว่าไว้ใหญ่เลยได้ไหมแล้วก็ห่วงแหนมีวาทาว่าตัวตนอาศัยทิฏฐิก็ต้องเกิดความโศก ความร่ําไรลําพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเมื่อมีความเห็นผิดว่าตนก็มีการยึดถือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยตนมีอยู่เมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยตนมีก็มีการยึดถือตนของเราว่ามีอยู่แท้ที่จริงไม่มีตนไม่มีสิ่งที่เนื่องโดยตนฉะนั้นความเห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงเป็นต้นนี่เป็นทิฏฐิของคนพันเป็นทิฏฐิของคนพานยึดถือยึดถือมันว่าตนและของที่เนื่องโดยตน ตนในที่นี้หมายถึงยึดถือขันเดี่องทั้งหมดเลยเนะยซึ่งที่เนื่องด้วยตนก็คือสิ่งที่เนื่องด้วยขันห้าที่เราไปสมมุติว่าเป็นของเราเนี่ยการเข้าใจผิดอย่างนี้ตรงนี้ก็ไปไข่ควรพิจารณาให้มากๆว่าไอ้ตัวไหนเป็นตัวยึดหนึ่งตัณหาสองมานะสามทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐินี่แหละที่เข้าไปยึดว่านี้เรานี่เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราจะไปยึดเองที่จะทําลายตัวนี้ได้ก็คือว่า จะทำลายตัวนี้ว่าถ้าหากพิจารณาเห็นด้วยควา ม, ด, ววามด้วยความเป็นทุกข์เนี่ยมันจะทำลายตัณหาถ้าพิจารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงจะทำลายมานะใช่ไหมถ้าพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตามันจะทำลายอัตตาได้นั้นถ้าเห็นด้วยความเป็นอณิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะทำลายความ ย, ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ได้เออถ้าไปเห็นนะถ้าไปเห็นแล้วไปรู้ไปเข้าใจจริงๆมันจะทำลายได้ทีนี้ถ้าหากไม่เข้าใจกฎของไตรลกักษณ์เนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นอย่างเช่นว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเป็นเราถ้าไปยึดว่าเป็นเราขึ้นมาเนี่โอ้โหตามมาเยอะเลยตอเนี้ยนั่นเป็นของเราเนี่ยนะโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเป็นของเราไปยึดด้วยตัณหาโอ้โหชอบใจมากผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกของเราเนี่ยโอ้โหดีมากใช่ไหมสมบูรณ์มากไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บมาเบียดเบียดก็อชอบเราเป็นนั่นบอกเนี่ยเห็นไหมเรา เราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างก็ไปยึดนั่นเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราเป็นเป็นเป็นอุดมการณ์เป็นทิฏฐิของเราอย่างนี้ทีถ้าไปเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเออที่เราไปยึดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือผมก่อนเล็บปันนี่ยันไม่เทียย่ยงนี่ไปยึดมันเป็นทุกข์เลมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันคลายนะเออเราบังคับได้ไหมตั้งแต่ก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วมันจะนําไปสู่ยังไงเป็นต้น แต่นี้มันจะคลายความเห็นผิดความเข้าใจผิดตรงนี้เลยนั้นปุถุชนที่ไม่ได้สดับคําสอนของพุทธเจ้าก็จะไม่มีวิธีการที่จะแยกแยกความเห็นของตนเองก็สอนกันเออนี่แม่ทําเข้าไว้นะต้องยึดถือห้ามทําให้มันอะไรต่างก็จะสอนแบบอัตตาแบบชาวโลกก็จะสอนเองไม่สอนทางออกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะลูกนะมันจะอยู่กับคนมีบุญเท่านั้นถ้าบุญหมดมันก็หมดใช่ไหมที่มันอยู่ได้เพราะมีบุญ ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นบุญของแม่ของป้านะ้าอาของพี่ของพ่ออะไรต่างก็บอกเข้าไปแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเต่างวันนี้ร่มหมายตายจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แน่นะเพราะเปลี่ยนมือเมาหลาอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงฉับวันเลยก็ได้ถ้าเราบุญไม่พอบุญไม่พอมันก็ได้ไม่พอหรือบุญเราอาจจะมากกว่าเรก็ได้อาจจะไปเสริมให้มากขึ้นก็ได้ถ้าบุญเรามากกว่ามันก็ต้องบอกให้แต่ทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ว่ามันจ ะ, จะเจริญขึ้นหรือลด ถ, ถอยลงมันล้นตกอยู่ในกอดายรักนี้ มันไม่มีครามความเที่ยงแท้เนี่ยมนอาจจะหมดตัวก่อนตายก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะยิ่งมีอะไรขึ้นมาก็ได้ก็ต้องเตรียมใจแล้วต้องรับรู้ต้องหาวิธีที่จะต้อง พ, อพ่อคูณกุศลอย่าประมาทอะไรต่างๆนั้นก็สอนก็ได้ให้เขาเข้าใจกฎใจรักให้ได้ว่ามันจริงๆิมันตกอยู่ในกฎไจรักทั้งตัวเขาเองทั้งสิ่งที่เนื่องในตัวเขาใช่ไหมว่ามันไม่เที่ยงนะใช่ไหมถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงมันจะละมานะได้มันจะไม่ย่อะยิง ถ้เห็นด้วยความเป็นทุกข์มันจะละตัณหาได้ว่าตัณหาเนี่ยมันเกียรทุกข์ความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยหรือถ้าเห็นว่าเป็นอนาานะัตตาเนี่ยมันคับบัญชาไม่ได้มันจะละความเป็นตัวเป็นตนได้จะละทิฏฐิคือความเลื่นผิดได้เราจะต้องไปเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้ถ้าหากไม่เข้าใจกฎใจรักษให้ดีพอแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเราจะอยู่อย่างเป็นทุกข์อย่างมากเข้าใจป่าได้เข้าใจถ้ า, าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็ก็แนะนําทีนี้การที่เราไม่ได้ปูพื้นฐานหรือไม่ได้ถูก เบาบ่มเพาะให้คนมีความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องเนี่ยมันก็วุ่นใช่ไหมต่อมาก็วุ่นวายกันนี่เนี่ยเข้าญาติาต่อญาติเนี่ยแย่งกันเสาล้ำที่ไปแค่ศอกเดียวมันฟ้องร้องกันแทบตายเนะยคนเรานี่เรื่องจริงไงเห็นไหมมันได้ความที่มันเอื้อทอนหมดไปหมดแล้วลูกหลานเนี่ยพอแบ่งให้แค่ไหนวันนี้ได้รับแบ่งก็แค่นี้พ่อแบ่งให้เราก็ทะเลาะกันดจยว่าแต่ครอบครัวของไม่แต่ครอบครัว ก็เหมือนกันเหมือนกับญาติญาติกันเ น, นี่ยบางทีต้องไปอธิบายพออธิบายฟังเหมือนมันเหมือนว่าเหมือนเอาหินไปโยนลงปุ๊บมันก็จามือจอกแหนกขยายก็เข้าใจโอ้ไม่มีอะไรพอพอหยุดฟังแล้ชปุโรชนไงไม่ได้สดับให้ต่อเนื่องไงพอไม่ได้สดับให้ต่อเนื่องไม่ศึกษาให้ต่อเนื่องไม่ฟังคําสอนให้ต่อเนื่องว่าตัณหามันยังมีอยู่ มาหน้ามันยังมีอยู่ทิฐีมันยังมีอยู่มีกําลังเมื่อไมันก็กลับมาอย่างเดิมไม่ได้ตรงนี้ยอมไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องเขี่าให้ออกไปอีกที่ถ้าเราไม่ไปคอยบอกบ่อยๆใช่ไหม้ีวิตเราเนี่ยต้องไปอยู่คอยบอกบ่อยๆได้มันก็ไม่ได้เนี่ปัญหาตรงเนี้ยมันก็มีวิธีเดียวพวกคุณเออพวกเองก็ต้องบอกว่าเออพยายามศึกษามันเข้าใจตรงเนี้ไม่ใช่ศึกษาตามใจเราเนี่ยศึกษาเข้าใจคําสอนว่ามันสรพสิ่งมันเป็นแบบนี้เรามากันอย่างไหนก็รู้ที่มายึดแค่ตรงนี้ จะเป็นจะตายกันเลแค่ที่ตรงนี้เออเขาเข้าบางทีก็อ้าวแล้วคนคนโบราณก็จะถือว่าแหมถ้าพูดยังไงก็ต้องทําอย่างนั้นให้ได้เพราะเขาบอกบางครั้งมันทําไม่ได้คําพูดบางอย่างะบางครั้งมันทําไม่ได้เช่นเคยตกลงอะไรกันเขาไว้ยังไงเบเสร็จปุ๊บเนี่ยในที่ที่ตรงนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยต่อมาอีกคนนึงลูกหลานเขามาเปลี่ยนคำแค่นี้โอ้โหเถียงกันดับได้นี้ก็ก็ก็ค่อยแก้ไขกันอยูนี่เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นตันหามานะทิฐิ หรือกลุ่มสักยทิฏฐิวิจิกิฉาสีและพระตาปรามมาสเนี่ยของปุตุชนที่ยังละไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมเป็นปัญหามากๆเลยทีนี้พอเป็นปัญหามากๆถ้าปุตุชนต่อปุตุชนที่อยู่ด้วยกันที่จะทําให้ตันหามันสอดคล้องกันเนี่ยตรงนี้นี่แหละกะติกาสังคมกติกาบ้านเมืองอะไรต่างๆก็เอากติกาเอากติกามาจับตูมลงไปใช่ไหมทีนี้ในบรรดากติกาทั้งหลายเนี่ยพอมาตัดสินตูมเลยลงไปแล้วเบ็เสร็จเนี่ย แต่มันไม่ได้ละตันหามานะที่ถึงตนเองจะไปขึ้นลองขึ้นศาลยังไงแพ้ไายังไงก็ฝังใจอยู่นั่นแหละว่าเราไม่ได้รับความเป็นธเขาใจอย่างเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันไม่ถูกใจเราอะ่ะแต่ถ้าเขาองตัดสินใครตัดสินเข้าข้างเราแล้วโอ้เป็นธรรมสุดๆเลยงานนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้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 มนาจิการในที่นั้นคือใส่ใจก็ได้คิดก็ได้ถ้าพูดถึงบคุคคลถ้าเราคิดถึงใครเนี่ยนะพอคิดปุ๊บแล้วไอ้กามมาสะวะที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเช่นความยินดีความเพลิดเพลินพอคิดถึงคนนี้ทีไรแล้วโอ้โหมีแต่เรื่องความยินดีความเพลิดเพลินโอ้เดี๋ยวก็ได้ไปกินอาหารอร่อยอ่อ ย, ออยได้วังเพลงเพราะๆสมองพอคิดถึงคนนี้ทีมไรมันก็จะนึกถึงเรื่องเหล่าเนี้ใช่ไหมได้ผ้าสวยๆงามๆได้ที่อะไรต่างๆเขาบอก อย่าไปคิดถึงคนนั้นว่าถ้าคิดแล้วมันยิ่งเจริญยิ่ง พ, อพ่อคูณยิ่งงองงามมากขึ้นทีนี้ให้พาความคิดออกจากคนนั้นเสียทีนี้ถ้าหากว่าพาความคิดออกจากคนนั้นแล้วไอ้กามมาสะวะพระวาสะวะทิฏฐาสะวะที่ยังไม่เกิดมันก็ยังเกิดอยู่จะทําทไงต่อใช่ไหมสมมติแล้วก็เอออย่าไปคิดถึงดอกไม้มากนะถ้าคิดถึงดอกไม้ที่ไรบุญไม่ค่อยเกิดเพราะเราน้อมจิตให้ถึงพระเจ้ายังไม่ได้เนี่ยก็หยุดคิดดอกไม้ให้คิดถึงสิ่งอื่น ทีนี่ในขณะที่ไปคิดคิดถึงสิ่งอื่นเนี่ยเอาตัณหามันก็ยังเกิดอยู่ความเพลิดเพลินความยินดีความยึดติดมันก็ยังเกิดอยู่อจะทํำยังไงต่อจะทํำยังไงเขาบอกให้พิจารณาเห็นโทษพิจาร์ตอบไปมาจัดการกับความคิดนั้นให้พิจารณาเห็นโทษว่าเออไอความคิดชนิดเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับขุยไผ่ที่เกิดขึ้นกับกอไผ่มันจะทําลายต้นไผ่โดยส่วนเดียว หรือสนิมที่เกิดในเหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันไม่จะมาบ่มรุงเหล็กให้โตขึ้นแข็งแรงขึ้นหรอกเกิดขึ้นมาเพื่อจะกัดกร่อนให้เหล็กนั้นน่ะหายไปทําให้เหล็กนั้นผุแล้วก็กร่อนหมดหมดสภาพความเป็นเหล็กไปเั่นใดคือว่าบาปอากุศลธรรมมันลามมกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยมันไม่ไปทําลายคนอื่นเลยมันทําลายเราเองเนี่ ย, ยก็พยายามเห็นโทษต่อสิ่งนั้นทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นโทษต่อสิ่งนั้นแล้วมันก็ยังไม่หายทำยังไง เขาบอใช้มาตรการรุนแรงอะไรวุ่นวายอย่างั้นเลยมาตรการรุนแรง เ, เรื่องแปลกแล้วนะหนึ่งกดกัดฟันแน่แนๆกัดฟันแน่แนๆก็ใช้ลิ้นดุนเพดานแรงๆดุนงอลิ้นขึ้นไปก็ดันเพดานเข้าไปดันให้มันเต็มที่เลยนะหายทําอย่างนี้หายทุกคนเลยกดฟันได้ฟันเนะี่ยแล้วก็ใช้เพดานใช้ลิ้นเนยใช้เพดานเนะ่งอลิ้นเข้าไปก็ดันที่เพดานแรงๆ มันจะเออออกหมดลยนักเขานักเข้าไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องที่บาป อ, อุปนนเกิแน่นลแล้วท่านก็สอนวิธีการละบาป อ, อุปสนเข้าไว้อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถึงนึดูก่อนพิกษุนทั้งหลายบอกว่าก็ทำที่ควรมณัติการที่ปุตุชนไม่ได้มณัิการอยู่เป็นชไหนเมื่อปุตุชนมนัติการ ท, ทำเหล่าใดอยู่กลาง ม, มาสวะผวาสวะอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นอ ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสิ้นไปทำเหล่านี้ควรมนานสิการซึ่งเขาไม่มนาสิการอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุถุชนนั้นเพราะมนาสิการทำที่ไม่ควรมนานสิการเพราะไม่ได้มนาสิการทำที่ควรมนานสิการก็ ค, คือปุถุชนก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ได้สังเกตนะว่าในขณะที่เราคิดถึงสิ่งใดถ้าหากว่าคิดถึงสิ่งนั้นแล้วเนี่ยกามาสะวะอวิชชาสะวะเออ ภาวะสวัสดิทิฐาไออวิชาสวะเนี่ยที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญก็อย่ามนัศิการสิ่งนั้นแต่ถ้าหากมนัศิการสิ่งใดแล้วเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลธรรมที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญก็มนัศิกานแต่ปุถุชนเนี่ยมนัศิการไม่ค่อยเป็นพอมนัศิการไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขาตรัสไว้ในหลายสูตรนะเกี่ยวในเรื่องของปุถุชนเนี่ยยกตัว ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่ได้สดับไม่ได้พบภาริยะไม่ได้ฉลาดในธรรมของภาริยาเป็นต้นก็เห็นอะไรเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณในความเป็นอัตตาบ้าเห็นอัตตาว่ามีรูปมีเวทนาทีนี้เพราะความแปลปวนหรือความแปลปวนเป็นอย่างอื่นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาย่อมมีความรู้สึกปลุนแปลไปตามความแปลปวนนั้นเออเป็นอย่างนี้นะพอไปยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็น เราเป็นของของเรานั่นเป็นอัตตาของเราเป็นต้นเนี่ยพอรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลปวนก็ทําใจไม่ได้ในกลุ่มนี้ทําใจไม่ได้บางคนป่วยไปเห็นคนป่วยป่วย น, นักๆเขากลับมาเป็นญาติมิตรเป็นคนรู้จักเป็นต้นคือตอนเองก็แปลปวนเออตอนเองก็ทําใจไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคนอื่นไปเห็นก็กลับมาก็น้ําหูน้ําตาไหลกันนี่บอกยอมรับไม่ได้บอกยอบเขาบอกเขายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับไม่ได้จะให้ทํำยังไง ทำไงดียอมรับเขาจะพูดคำว่ายอมรับไม่ได้เขาเห็นสภาพแล้วยอมรับไม่ได้แล้วจะทํำยังไงเขาย่อมมีความรู้สึกป่วนแปลไปตามความแปลปวนนั้นตามความแปลปวนของอะไรของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรหสภาพของรูปรูปประคันก็แปลปวนไอเวทนาก็แต่ก่อนเขาสุขเวทนาเกิดจากเขาปัจจุบันก็ทุกขเวทนาใช่ไหมไอสัญญาก็จจําอะไรต่างไม่ได้สังขารก็ปรุงแต่งเพ้อเจอเป็นวิญญาณ มีจากขูญญาณเป็นต้นก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วหูตาก็มองอะไรก็ไม่ค่อยชัดหูเป็นต้นก็ฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดเป็นต้อนอะไรนี้หนึ่งก็เนี่ยเขาเห็นเขาเห็นสภาพของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลปวนนะใจเขาเป็นยังไงเขาก็มีความรู้สึกปวนแปลใจก็ปวนแปลก็เหมือนเราใช่ไหมทุกวันนี้เนะใจเราก็ปวนแปลเนะี่ยเวลามองถึงตัวเองคิดถึงตนเอ ง, ง, เ อ, งอะไรก็ปวนแปลมันไม่เหมือนก่อน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 หลายคนเป็นทุกข์นะไม่ใช่หลายๆายคนนะแม้แต่ผู้ผู้ผู้แสดงถามเองเนี่ยเวลาคิดถึงตนเองอู้ต้องรีบเตรียมนะไม่ไหวแล้วอะไเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะจัดแจงจัดการจัดแจงอะไรต่างๆไวนะ้เนี่ยที่ต้องการบอกโอ้ไม่นานแล้วไม่นานเนยเพราะมันเห็นความแปลบวนค่อนข้างมากของของสภาพของขันก็ไม่ต้องอะไรแค่ว่าเอาดูแค่สภาพของความแข็งแรงของ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 ศึกษาคำสอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประพฤติปฏิบัติได้ดีขึ้นต่างๆมาระยะหลังโอ้โหถูกถูกสิ่งเหล่านี้นั่นก็ไปสมมติเราจะพักผ่อนให้น้อยๆใหให้น้อยมากๆเอาอะไรตัเนี้ยเกิดสภาพความดันมีปันาลอะไรตัเนี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนะยนี่เขาเรียกว่าย่อมตั้งครอบงำจิตของเขาเพราะจิตถูกอะไรครอบงำถูกความหวาดหวัน่นคับแค้นความห่วงใยความสะดุง้งและความยิดมั่นนั่นเอง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 เมื่อมีความแปลปวนเป็นอย่างอื่นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านย่อมไม่มีความรู้สึกปลวนแปลไปตามความแปลปวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยท่านมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและท่านเล็งเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมทีนี้ท่านเห็นด้วยความเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาท่านเห็นด้วยความเป็นอนัตตาแล้วท่านเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยพอท่านเห็นตามความเป็นจริงนี่นะ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 ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนในสี่ียบทเนี่ยอี้่าใจเราขาดแปลว่าถ้าตายในอียบทใดอียบทหนึ่งแต่ตอนนั้นอนะคำสอนของพระเจ้าไม่อยู่ในใจเราเออเราจะมีคติอย่างไรน้ะเนี่ยคีแวเขาก็เลยอยากก็นั่นเลยเอาคำสอนมาอยู่ในทุกๆในอียบทต่างๆยืนก็มีคาสอนนั่งก็มีคำสอนเดินก็มีคาสอนให้เข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้ ะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังจัดว่าประมาทอ้ออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกินอาหารเอออาหารเข้าไปเนี่ยในขณะที่กินกินเข้าไป เ, เราอาจต้องมัวจะเคียวอาหารเนี่ยยังไม่ได้ตึกถึงคําสอนของพระเจ้าเป็นตัวเหล่านี้เราอาจจะใจขาดตายไปในขณะที่กินอาหารซึ่งก็มีนะคนที่กินอาหารในขณะที่ยังไม่ทันลงสู่ท้องเลยตายไปก็มีเยอะแยะหมดในโลกใบนี้ ก็พิจาราอย่ากแ น, นั้นเลยเราอยากให้ชีวิตผ่านไปโดยการที่ไม่ได้ใคร่ควรคําสอนของพระเจ้าหรือเข้าใจคําสอนของพระเจ้าเลยก็ใคร่ควรโดยจริงนะกินเข้าไปก็ยังจ่ายว่าประมาทอยู่นะเพราะเอาแค่ช่วงกินอาหารทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่อย่างนั้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอ้ความตายมันอยู่ตรงนี้พื้นเข้าไปไม่ออกมาก็ชัดหนึ่อย่างเดียวนะเนี้ยหายใจพื้นเอาหายใจเข้าไม่เข้าไปก็เอามีปัญหาแล้ว ه, ถ้าเรามาใจขาดตายในขณะที่ว่าเราเราหายใจเข้าแล้วเอีอยากะนั้นเลยก็ให้เป็นไปกับคําสอนของพระเจ้าทั่วทุกลมหายใจเข้าออกเขาบอกถ้าเข้าใจคําสอนอย่างนี้นะเขาบอกโอ้ oh, จเจริญรุ่งเรืองและมีโอกาสที่จะแทงตลอดคําสอนดังฉะนั้นต้องบอกว่าเพราะความสะดุ้งเนี่ยนะความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมมันเกิดจากความแปลปวนไปตามความแปลปวนของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ย่อมไม่ตั้งครอบงำจิตของท่านเหล่านั้นหรือท่านที่เป็นภราริยะบุคคลก็ดีท่านผู้ได้สดับพระธรรมคําสอนเนี่ยเพราะจิตไม่ถูกครอบงาำท่านจึงเป็นผู้ไม่หวาดวันและก็ไม่คับแค้นไม่ห่วงใยไม่ไม่สะดุ้งกลัวแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถือมันทนีในด้านของการปฏิบัติเพื่อพ้นจากความสะดุง้งความยึดมั่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาโดยแยบคาย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 อยู่โดยแยบคายเมื่อมนสิการอยู่โดยแยบคายแล้วเนี่ยสักกายะทิฏฐิวิจิกริชั่สีะระปตะปรามาตย่อมเป็นอันเธอละได้ว่าไงก็แปลว่าอายะสาวกเนี่ยถ้าไปพิจารณาวนันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกขเมื่อพิจารณามนสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้ก็จะละสังโยชน์สามได้คือสักกายะทิฏฐิก็คือความเห็นขันห้า ร่วเวรนาสัญญาสังขัญยาเนี่เว็เราเป็นของเราเป็น อ, อ, อัตตาอของเราเป็นต้นเนี่ยแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ศีลพรตรปรามาสความยึดถือในศีลพจน์จก็คือความยึดติดในรัฐิแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ผิดต่างๆก็นําไปสู่ความซึ่งซึ่งไม่นําไปสู่ความดับทุกข์ก็จะละความเห็นประเภทนี้ได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการ เห็นตามความเป็นจริงอันนี้ข้อแรกแค่นั้นนะทิรัสได้โดยการเห็นนการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอาสวะทีรัสได้โดยการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็เห็นอะไรอาสวะทิรัสได้โดยการเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้ก็คือว่าให้ระมัดระวังอาสวะทุกอย่างเป็นเหตุให้อาสวะเหล่านี้ที่ภิกษุระวังปกปิดแล้วย่อมถึงความสิ้นไปคือดับไปด้วยไม่ให้เกิดขึ้นอีกละได้ อาสวะนี่นะเป็นสิ่งหมักดองทั้งหลายเนี่ยทีนี้ว่าอาสวะทั้งหลายของเราที่เป็นเหตุให้เข้าถึงความเป็นเทพเป็นคนทันที่เหาะเหินได้เป็นเหตุให้เราพึงไปสู่ความเป็นยากความเป็นมนุษย์พึงละได้ไปสู่ความเป็นอันตรชักกำเนิดความสิ้นไปแล้วอันเราขจัดแล้วทําให้พินาศไปแล้วเป็นต้นคือในบรรดาอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเป็นต้นเนี่ยถ้ายังมีอยู่เนี่ย ก็จะเป็นเหตุให้การไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้นะหรือตลอดถึงว่าไปเป็นพวกเปรตอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นต้นเหล่านี้อาสวะต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าละไม่ได้ก็อาสวะก็จะนำความทุกข์มาสู่อย่างนการเข้าไปว่าร้ายผู้อื่นความเดือดร้อนการฆ่าการจองจําอุปัตถวะนาประการที่เป็นเหตุให้สัตว์เสวยทุกข์ในอบายก็ชื่อว่าอาสวะเราแต่ถาคตจกแสดงธรรมเพื่อระมัดระวังอาสวะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมและเพื่อ บำบัดอาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพก็ในที่ใดาอาสวะเหล่านั้นมาโดยบาการใดในที่นั้นพึงทราบโดยบาการนั้นก็เพราะวินัยอาสวะเหล่านั้นมีอยู่สองอย่างเราจะถาคตแสดงธรรมเพื่อป้องกันอาสวะอันเป็นไปนี้ทิฏฐิธรรมอย่างหนึ่งเพื่อบำบัดอาสวะอันเป็นไปในสัมปรายภพดังนี้คือการมาสวะภ า, าวาสวะวิชาสวะเนี่ยนะ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 น, นี่เป็นอย่างนี้ละได้โดยการเห็นก็คือว่าดังที่ได้กล่าวบอกว่าปุถุชนเนี่ยนะไม่มนานัสิกานอยู่โดยสรุปตรงนี้ก็คือท่านตรัสเกี่ยวในเรื่องของให้เห็นคุณของโยนิโสมนานัสิการและอโยนิโสมนานัสิการถ้าโยนิโสมนานัสิการเกิดก็ละอาสวะได้โดยการพิจรารณาหรือแยบคายเนี่ยแต่หลักเนี่ยหลักของโยนิโสมนานัสิการจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปารโตโคสะ คือเสียงของบุคคลอื่นการประกาศของผู้อื่นคือการได้สดับการได้พบภริยาฉลาดในธรรมของภริยาได้รับการแนะนําในธรรมของภริยาได้พบสัตวบุรุษแล้วก็ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษได้รับการแนะนําในธรรมของสัตวบุตรก็ที่ได้กล่าวเขาไว้ในนี้อันนี้ประโตโคสาปัจจใจนั้นในปรัตโตโ ค, โคสาเนี่ยเป็นปัจใจไหมบุเป็นเป็นปัจจัยเพราะว่าลักษณะของปุตุชนเนี่ยปุตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ย ไม่ฉลาดในธรรมของพาริยะไม่ได้รับการแนะนําของพาริยะเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็รับรู้สิ่งต่างๆเวลารับรู้สิ่งต่างๆเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะโมหะก็จะเกิดความยินดีเพิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปกําหนดรู้หรือไม่ได้รู้เห็นดํำว่าเป็นจริงอันนี้เป็นโทษของการไม่ได้สดับเนี่ยนะพอเขาเห็นสิ่งใดขาดหนึ่งไม่ได้สดับใช่ไหมเพราะเพราะไม่มีปรตโตโคสะ ก็คือไม่ได้ไม่ได้ปัจจัยคือการได้ฟังธรรมจากผู้พุทธเจ้าสาวกของผู้เจ้าไม่ได้ศึกษามากฟังมากพอไม่มีปารโตโคสารเนี่ยโยนิโสมนัสิการก็เกิดไม่ได้เมื่อโยนิโสมนัสิการเกิดไม่ได้ไปอะไรตามมากุศลศีลศีลเกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ดไไดไปัญญาเป็นต้น ก, ก็เกิดไม่ได้ญญดดไไดให้สังเกตุณศีลอาวิปปติสารปาโมดปีติปัสสัธิแล้วความสุขเนี่ยนะสมาธิ แล้วก็ยถาภูแต่ยานทัศนาเป็นต้นมันไม่เกิดเพราะว่าขาดประโตโขสะคือปัจัยคือเสียงอย่าบุคคลอื่นเป็นต้นทีนี้พอโยนิโสมนสิการไม่เกิดแตเนี้ยบาปอกุศลกามาสวะบ้างพระวาสวะบ้างอาวิชาสวะบ้างก็เกิดอันนี้เขาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่นะแต่ถ้าหากว่าเขาได้ประโตโขสะปัจัยนะปัจัยจากสิ่งอื่นแล้วทําให้เกิดโยนิโสมนัสิการทีนี้พอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นเหตุผลก็คืออะไร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 ตรงนี้เป็นต้นเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวอ่านใ ห, ให้จบดีกว่าอธิบายตรงนี้หลายๆคนอธิบายทําความเข้าใจา ย, ยากหนึ่งแนวดีตการอันยาวนานเราได้มีอะไรหนอในวดีตการันยาวอันยืดยาวนานเราไม่ได้เป็นอย่างไรหนอในวดีตการอันยืดยาวนานเราได้เป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอในวนาคตการอันยืดยาวนานเราจัเป็นหรือหนอแนอนาคตการอันยืดยาวนานเราจัไม่เป็นในวนาคตการอันยืดยาวนานเราจักเป็นอะไรหนอ ในอนาคตการอันยืดยาวนานเราจักเป็นอย่างไรหนอในอนาคตการอันยืดยาวนานเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือว่าปารอกาลแปัจจุบันอันยืดยาวนานคือในบัตรเนี้ยก็สงสัยบอกว่าเรามีอยู่หรือหรือเราไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอจักไปไหนเป็นต้นอันนี้บรรดาทิฏฐิเหล่านี้นะในบรรดาทิฏฐิเหล่าเนี้เพราะว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะ ในบรรดามิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เกี่ยวกับการที่บอกว่าไม่รู้เหตุปัจจัยเมื่อไม่รู้เหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะสงสัยในคําสอนเขาเรียกว่าปัจจัยะปริหายานก็ได้คือไม่มีญาณเหล่านี้เกิดขึ้นคือตรงนี้ต้องพูดถึงในเรื่องของ อ, อ, อวิชานี่นในบรรดาอวิชานี่อย่างยกตัวอย่างเช่นความสงสัยเนี่ยอธิบายความสงสัยกันว่าหนึ่ง hmm. สงสัยในอดีตในอนาคตแล้วก็สงสัยในปัจจุบันเนี่ย ผู้ที่เข้าใจหรือย่ำรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นไปในการทั้งสามยังไงคือในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปการเป็นไปของนามและรูปเป็นไปของการเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นแต่คนที่ไม่เข้าใจเลยเปสําคัญว่ามีบุคคลมีเรามีของเรามีบุรุษมีสติแล้วก็ล่วงพ้นความสงสัย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 บาลีเขใช้คําว่าอโหสิงนุโขอหังอตีตามมัฐานังนี่ข้อแรกนี่เนะี่ยบอกเอเราเกิดมาก่อนในอดีตการหรือหมายว่าเอ๊ะเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในพบก่อนไหมจนมาถึงพบเนี้ยไปเข้าใจว่าเออในพบก่อนๆมาเนี่ยเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องไหมเป็นสำคัญว่ามีเราเกิดมาอย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติยังไงก็ยังเป็นเราเราเราเรามันยึดมาใช่ ไ, ไหม มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็คืออัตราคือตัวเรามันยังคงที่ดั้งเดิมมาอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างนี้เป็นต้นลักษณะนี้คือความสงสัยในดีประการแรกประการที่สองก็คือว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีตการหรือก็หมายความบอกว่า เ, ออเราไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเพิ่งเริ่มมาเกิดในพบนี้หรือไม่ก็แปลว่าออสงสัยอีกแล้ว แสดงพบก่อนๆที่ผ่านมาเราไม่เกิดมาก่อนไม่มีมั่งเพิ่งจะมาอุบัติเกิดขึ้นมาในพบนี้เท่านั้นแหละอันนี้มาจากคาว่าณนุโนะข อ, โ, อโหสิงอตีตมะทานะังก็แปลว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนในดีตการแต่เพิ่งมาเกิดในพบนี้หรือไม่ยังไม่แน่ใจด้วยนะสงสยัยหรือไม่นี่ประการที่สองประการต่อมาคือเราเคยเป็นอะไรในดีตการหรือ อันนี้ชัดก็คือว่าเราเคยเกิดเป็นกษัตริย์เคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นเศรษฐียาจกมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือไม่งสงสัยจริงนุโหอโหสิงอตีธรรมถานเราเคยเป็นอะไรในดีตการหรือสงสัยบอกเอะจะเคยเกิดเป็นพราหมณ์ไหมเป็นกษัตริย์ไหมเป็นเศรษฐีไหมเป็นยาจกไหมเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเกิดไหมนี่ต่างขอสงสัยประการต่อมาคือว่า เราได้เป็นอย่างไรในอดีตการหรือหมายความว่าได้เป็นอย่างไรในที่นั้นหมายความว่าเคยมีรูปร่างส้นฐานสูงหรือต่ําหรือดําหรือขาวใช่ไหมอีกในหนึ่งก็คือเราเกิดในอดีตเพราะเหตุปัจจัยใดหมายความว่ า, วาใครที่เนรมิตรเรามาพระเจ้าพระอินทร์พระพรหมหรือเทวดาหรือเราเคยเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมเข้าใจตรือ่า นาถังนุโขอโหสิงอตีธรรมทานังอันนี้แปลว่าเราได้เคยเป็นอย่างไรในอดีตแปลว่ า, ารูปร่างสันฐานเราในอดีตเป็นยังไงเนี่ยสวยหรือไม่สวยสูงหรือต่ําดําหรือขาวใช่ไหมนี่สงสัยประการต่อมาก็คือเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการมาจากคาบอกว่ากิงหุตวากิงอโหสิงนุโขอตีธรมทานนัง เราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในพบก่นก่อนเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในพบก่นก่อนอันนี้คือห้าประการนี้เป็นความสงสัยฝ่ายอดีตในของปุโรชนเป็นแบบเนี้ยปุโรชนที่ไม่สดับจะสงสัยแบบเนี้ยเคยสงสัยมี่ดูอนาคตบ้างตอเนี้ยทีนี้ในอนาคตในฝ่ายนอนาคตมีอยู่ห้าอย่างเราจักเกิดในอนาคตหรือ หมายความว่าอัตราของเราจะคงอยู่ไม่สูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่อันนี้สงสัยอัตรานะตายปุ๊บเนี่ยมันไม่หมดใช่ไหมอัตราร่องรอยเอะไปมีไปเกิดอยู่ในอนาคตรหรือเปล่าสงสัยอย่าลืมนะคนคิดอย่างนี้เยอะคนที่ทําบุญกันเนี่ยว่ากลัวตรงเนี้เพราะไปสําคัญว่าตายแล้วเนี่ยอัตราของเรานี่แหละไปไปเกิดไปสเสวยสุขและทุกข์เพราะการกระทาในปัจจุบนะันในภพนี้ เข้าใจมันเหมือนถูกนะแต่มันไม่ถูกทั้งทั้งที่มันไปแบบไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะอนาจามันไปอย่างการสืบต่อไม่เข้าใจแบบไปแบบการสืบต่อเหมือนกับเมล็ดมะม่วงเม็ดเนี้ยเอาไปปลูกปุ๊บแล้วที่มันขึ้นมาเนี้ยแล้วมันออกมาอีกเม็ดนึงแล้วไปปลูกใหม่ไม่ใช่เม็ดเดียวกับที่ทิ่มไปงี้ไปดอนหรือที่กินมันก็คละเม็ดกันกับที่ทิ่มลงดินเนี้ยมันคละเม็ดกันเลยนะแต่มันสืบต่อใช่ไหมมันสืบต่อมาจากเม็ดนั้นนะปฏิสนณฑจิตที่เราเราเกิดแล้วจุติจิตที่ดับเนี้ย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 ของเราคงอยู่ไม่สูญสลายหลังจากมีชีวิตประการต่อมาเราจะไปเกิดในอนาคตอาการหรือหมายความอัตราของเราจะจะสูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่ก็คือเราจะไม่เกิดในอนาคตใช่ไหมแปลว่าตายปุ๊บนี้มันหายไปเลยอย่างนี้นะนี่สงสัยเลยนะว่ามาจะคําว่านานุขโขภวิสามีอาหางอนาคตามัททานังเนี่ยในกลุ่มนี้นะวิชาการคิดกันแล้วคิดกันอีกว่าเออบางกลุ่มก็สรุปมาหมด ได้แล้วเรียบร้อยจะทําอะไรเรียบธรรมเลยปัจจุบันถ้าไม่อยากหรือถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ก็ใช้เซล์เลยแต่เนี้ยมีลูกมีหลานเยอะๆก็ที่ว่าโดยตัวเองเนี้ยสืบเชื้อสายของเราไว้ได้เราจักเป็นอะไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะเป็นกษัตริย์จะไปเป็นพราหมณ์เป็นเศรษฐีเป็นยาจกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์ประหลานเป็นต้นจริงหนุโขวิสามีอนาคตมมาทานหนึ่งเราจกเป็นอะไรในอนาคต ประการต่อมาคือเราจัะเป็นอย่างไรในอนาคตการก็สันฐานนั่นเองสูงต่ำดำําขาวหรือจะเป็นเจะมีผู้เนรามิตเราหรือเราจะเกิดเองตามธรรมชาติมีัหมบอกจะเกิดเองตามธรรมชาติกระถางนุโขพระวิสามีอนาคตามัทานนังประการต่อมาก็คือเราจักเป็นไปจักเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรในอนาคตการ กิงหุตวากิงพวิษฐามีนนโคอหางอนาคตาธรมทานหายความวาเออถ้าไปเกิดเป็นอะไรแล้วแล้วมันจะต่อไปมันจะเป็นอะไรอีกไม่ได้คิดแค่ชาติเดียวคิดไปเรื่อยๆ <c oughs> คิดต่อไปเรื่อยๆนั่งวาดไปว่าจะเป็นอะไรอีกต่อไปอันนั้นเป็นความสงสัยในอนาคตทีนี้ความสงสัยในปัจจุบันเป็นอย่างนี้เรามีอยู่หรือเนี่ยอัตตาหรือวิญญาณมีอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่ น, นี่ก็เปสงสยัยอัตตาเนี่ยนะ ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยมันคงทนมันคอยจัดแจงมันอยู่เปล่าความคิดความอ่านการที่จะให้เราพูดคิดต่างๆเรานี้เป็นต้นเนี่ยอัตตาเรานี้มัมีอยู่ในในร่างกายใช่ไหมอมีหรือไม่มีจิตเป็มีอยู่ในร่างกายอยู่ไหมยอยู่ตลอดเวลาไหมมันไม่มีอย่างนั้นนะทั้งนั้นไปองมายเขาไปทดลองมาแล้วค่อยๆเขียนดูทีละชิ้นละชิ้นไปหาไม่ได้หรอกมันไม่ได้มีอยู่อย่างคนที่เขาเข้าใจผิดกันใช่ไหม วิญญาณเนี่ยเช่นจักขูวิญญาณเนี่ยวิญญาณอาศัยต่างๆเนี่ยพอหลับตาปุ๊บ ม, มันก็ดับแล้วหายไปไหนอ่ะได้ยินเสียงเมื่เกิดตั้งหูมันเร็วมากเขาจะว่าแล้วการเกิดของเขามันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นตัวต น, ตนลอยไปลอยมาไม่ใช่อย่างนั้นมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไหมหนึ่งหนึ่งไม่มีรูปร่างสองไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่างก็คือไม่มีสันฐานอยู่แล้วแต่เขามีแบบ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 ถ้าเหตุปัจจัยไม่พอเขาก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนทําให้มีการยืนการเดินการนั่งการนอนคู่เหยียดเป็นต้นได้แต่ไม่ใช่เป็นอัตตาหรือวิญญาณในอยู่ในร่างกายประการต่อมาคือเราไม่มีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณไม่มีอยู่ในร่างกายหรือเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มันมีแต่มีอยู่อย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมีอยู่แบบไม่เที่ยงมีอยู่โดยเป็นทุกข์มีอยู่โดยความเป็นอนัตตา มีแบบนี้นะแล้วก็เราเป็นเป็นอะไรอยู่หรือหมายเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรอยู่หรือตรงนี้เขาเขาบอกว่าเขาก็ยกตัวอย่างนะเอเคยสงสัยตัวเอง ม, มอีมีคนมีอยู่คนคนหนึ่งตอนนี้เองยังเห็นข้าเป็นแม่อยู่หรือปเปล่าสงสัยตัวเองนี่ใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่ ส, สงสัยเคยเป็นไหมนี่ยสงสัยตนเองคือก็สงสัย ถ้าสมพันธ์จะไว้ดจะบ ว, วัดนี้ใครเป็นเจ้าวัดกันแน่นี่ <c oughs> สงสัยเลยดูนี่นี่สมมุติเขาแปว่าเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรอยู่เห็นไหมบางทีมันก็จริงๆก็สงสัยเวลาไปมีตาแหน่งหน้าที่อะไรต่าง ก, ก, ก็ไปสงสัยเอออยู่บ้านก็เป็นพ่อไปหาหาพ่อหาแม่ก็เป็นลูกไปโรงเรียนก็เป็นลูกศิษย์ไปสอนหนังสือก็เป็นอาจารย์ อ, อ๋อเลยไปบริษัทก็เป็นคนงานบางเป็นหัวหน้าบาง เ ป, เป็นข้าราชการก็เป็นยศหนึ่งร้อยตีร้อยโท ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้น <โล S 1> เป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประสุนทบตรั ก, กรโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง <โล S 1> สมดังพุทธภาษิตทรถิว่าสภะทานังธรรมทานังชินาติขอความสุขความสุขบัติ มีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่ททานสวัสดีครับโมโหขวัชอักุสลัมอโม โ, โกุสลัมปานาติปาโต ข้อวัชกุศลนั้นานาปัตตาเบรมนีกุศลอดินนาธานั้นวัช กुศล म อดिนนาดานาเวรมันย์กุศลมกาเมศุมิชฌาชรุ खो बच्चा अकुसलम कामेसु मिच्छा चारा व े र म न ी कुसलम मुसावा द ो ก็ว่ากุศลมสาวาดาเวรไม่กุศลสิชูนา ว่าจะโขบจะอคุสัลลัมปิสูน่าวาจะยเบรมนุส p h r o s a v a c h a y k h o a c h a t u s a l a m h r o s a y vachaya, veermani k u s สัมผัสเปล่าเปล่าโควต์ชะก फ प ลัมสัมผัสเปล่าเปล่าวรมกลอ ข้อบัตรฉันอคุศลนั้อนาิชฌาคุศลวียาโดข้อบัตรฉอคุศลนอวีาโดุล ควิถิข้วัชชะกุสลํมสมมาดิถิกุสลิติข้วัชชะตสศธรมมา Akusala dasa dhamma k u s